บทที่65สภาพด้านบนของหน้าผาระหว่างนานอินกับอนุชาซึ่งขึ้นไปดูซากช้างอยู่วันนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างในขณะนี้ทุกคนเบื้องล่างไม่อาจเห็นได้แต่เฉพาะฝ่ายตนกําลังเผชิญกับความชุลมุนปั่นป่วนไปหมดเสียงร้องเอะอะวายในหมู่พวกลูกหาเมื่อถูกพายุประหลาดกันโชคตึงเข้ามาพร้อมทั้งอาการที่บิดหมุนควงเป็นเกลียวดูดเอาฝุ่นผงทุลีและเศษหินเล็กๆ ให้เป็นงวงลอยสูงเลื่อนขึ้นไปบนอากาศเบื้องสูงอย่างรวดเร็วบรรดาสัมภาระเข้าของมีท่าเหมือนจะถูกมือมหายักษ์ชุดดึงให้ปลิวกระจกระจายขึ้นไปด้วยจนต้องตะครุบและยึดกันไว้เป็นพลวัลความอุลหมายได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันปัจจุบันทันด่วนเหลือเกินสภาพโดยทั่วไปปรากฏเป็นหมอกควันของพายุหมุนซึ่งเห็นได้เพราะมีเกลียวฝุ่นที่ถูกดูดม้วนขึ้นทําให้ดูมืดมนไปหมดดาดินถึงกับเสียหลัก เสหลุดร่วงจากแง่ก้อนหินที่ตนเองยืนอยู่ลงไปหมอบกระแตอยู่ในซอกโพรงใกล้ๆเชิดถาแยันก็เผ่นออกจากที่อย่างทันหันต่อเหตุการณ์เพื่อมุ่งเข้าหาที่หลบกำบังของพายุอันตรายนั้นพร้อมทั้งตะโกนสั่งการกับขยินและพวกลูกหาบทั้งหลายเสียงโมกเวกไปหมดให้คนเหล่านั้นนำเข้าของสัมภาระหลบอยู่ไปซ่อนหินใหญ่ไว้ก่อนอึงคนหนึงกรียุกันไปหมดทั้งคณะท่ามกลางเสียงคำรามเฟยวฟ้าของลมกรดอันร่ากับจะบรรดาลขึ้นโดยอาคมของพ่อมดร้ายในนิยาย สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเร็วกว่าทันหันซะจนตั้งตัวไม่ติดไม่มีอะไรเป็นลางบอกเหตุให้รู้กันเน่นๆเลยเกลียวของพายุ ป, ประหลาดมีอาการพุ่งสูงจากเบื้องบน เที้มลงมาสู่ด้านล่างในช่องทางระหว่างหุบผามหาภัยนั้นเป็นจุดๆพอกระทบพื้นก็ย้อนคืนสู่ที่สูงตามเดิมโดยการหมุนควงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสามารถจะมีพลังหอบเอาขึ้นไปได้ให้หมุนวนตามพื้นไปด้วยสุดแต่ว่ามันจะจับลงบริเวณใดส่วนไหนตลอดเส้นทางในซอกเขานั้นและห่างไกลออกไปยังราวป่าด้านนอกหุบผาในรัศมีหนึ่งไมล์รอบด้านเท่าที่พอจะมี ต้นไม้ขึ้นอยู่บางได้ยินเสียงไม้ใหญ่ขุดรากถอนโคนป่าแตกอยู่คลืนโครงพอๆกับแผ่นดินไหวแววม่อย่างถนัดพ้าเขามาสองสามผืนที่พวกหัวบรรดาพวกลูกหาบอยู่จะเป็นของใครบ้างไม่ทราบได้บัดนี้เห็นชัดๆกับตาทุกคนว่า มันหมุนตลบควงติวๆเรากับอาการสะบัด ต, ตัวของงูที่เหาะได้ลอยสูงรลิขึ้นไปอย่างน่ากลัวคล้ายถูกปล่องเครื่องบินไอพ่นดูดฉะนั้นเสียงนันอินร้องอามาทางวิทยุเร็วปรืออีกว่าวู้นะตอนนี้พวกนั้นก็หาที่หลบตัวเร็วๆ เ, เข้าให้มันผูกยึดตัวไว้กับก้อนหินหนักๆทุกคนเจ้าเขาที่นี่แรงมากรองดีเราแล้วประเดี๋ยว น, นันอินจัดการเอง ตัวสคนนั้นก็ให้ระวังไว้ด้วยเชิฐาตะโกนพูดวิทยุสั่งขึ้นไปตะคู่ปีกหมวกไว้มั่นก่อนที่จะปลิวหลุดผูกสายรัดคางไว้แล้วกระโจนมาที่น้องสาวคนเล็กที่กําลังหมอบกระแตเกาะก้อนหินอยู่ชุดแขนพากันแล่นตาแล่นตามพื้นหินขรุขระนั้นกระเจิงเข้าไปยังตําแหน่งเวิงเชงอ่อนตอนผนลักดาดินเข้าไปคดตัวบังอยู่ในนั้นลักษณะของมันเว้าเหมือนฝาหอยที่เปิดอ้าออกพอจะเชื่อได้ว่ากระแสลมคงจะพุ่งลงมากระทบและดูดดึงขึ้นไปไม่ได้แน่นอนตอนเองยือนอยู่ปากทางนั้น ตะโกนสั่งการกับชายันและขยินให้ทั้งสองช่วยกันต้อนพวกลูกหาและสัมภาระเขาหาที่ปลอดภัยจากงวงช้างซึ่งกําลังพยายามดูดทุกสิ่งทุกอย่างให้ลอยตามมันขึ้นไปด้วยประเนระนากันเจ้าละวันคุมกันแทบไม่ติดไปทั้งขบวนอาศัยที่เคยผ่านเหตุการณ์อันตรายในทุกรูปแบบมาก่อนแล้วทั้งชายันและขยินรู้หน้าที่ดีที่สุดว่าในภาวะเช่นนี้จะป้องกันตนเองและพักพวกที่บริวารที่ติดตามมายังไรบ้างลําพังตัวเปล่าของแต่ละบุคคลมันก็คงจะ ครองว่องแวก ว, ว, ง ว, งวกว่าว่องวยกว่านี้แต่มาติดหาบสิ่งของสัมภาระอันทําให้ต้องทุลักทุเลกันขนาดใหญ่ทีเดียวเข้าของทุกอย่างที่ห่อมัดแบกห้างกันมา ล้วนจำเป็นต้องดําลงที่และการเดินทางทั้งสิ้นหากสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกพายุมห า, หาการหอบพัดขึ้นไ ป, นไปก็จะแปลว่าถูกตัดกําลังในการเดินทางไปในทันทีจึงต้องระมัดระวังกันอย่างขีดสุดหลายคนล้มลุกคลคลานและไล่ตะคุบผอของที่กลิ่งนี้แต่สภาพมันคลุคลาเต็มไปด้วยแง่หินที่มีกองพเนนสลับซับซ้อนกันทําให้กลิ่งไปติดอยู่กับแง่หินเหล่านั้นพอที่จะตามเก็บมาได้อลหมานกันอยู่พักใหญ่ทีเดียวก่็ทุกคนจะเข้าหลบกันในที่กําบังพออาศัยได้ โดยแยกกันอยู่ตามจุดช่องพรงริมทางต่างๆสุดจะหาได้แห่งละคนสองคนสภาพของอากาศที่เคยมีแดดแผดเปรี้ยงก็มืดมัวไปหมดแทบจะมองอะไรไม่เห็นเสียงมหาวาตะผิจพายุธรรมดาสามันยิ่งคำรนหนักและทวีความรุนแรงขึ้นทุกทีหลายคนอ้ปาปากค้างตาเหลือกเมื่เห็นหินก้อนขนาดครบตําข้างถูกยกลอยขึ้นจากพื้นดินแลกกับมีมือที่มองไม่เห็นมาหยิบยกขึ้นและอีกหลายๆก้อนก็เริ่มกลิ้งเคลื่อนไหวอยู่ไปมา ฝุ่นปลิวคลุ้งกระจายไปหมดจนไม่สามารถมองอเห็นได้ในระยะห่างกันแค่สิบลาดารินณเชิดถายุึดที่มั่นอยู่ในช่องโพรงเดียวกันดารินนั้นใช้ผ้าพันคอขึ้นมาผูกปิดหน้าไว้ป้องกันไม่ให้ฝุ่นพัดเข้าตาซึ่งแต่ละเม็ดเล็กๆของมันกระทบผิวหน้าจนแสบไปหมดส่วนเชิฐาใช้ผ้าขามา้าของใครก็ไม่ทราบที่เก็บได้ระหว่างวิ่งหลบภัยมาผูกปิดจมูกไว้เอาแขนเสื้อขึ้นป้องแนวตาซึ่งบัดนี้ลมพัดแทบจะลืมไม่ขึ้น สีงตะโกนพูดกันไม่ได้ยินจะแล้วเพราะเสียงพายุกรบหมดนอกจากจะใช้วิทยุเท่านั้นและเมื่อต่างฝ่ายต่างต้องแยกกันหลบชนิดตัวใครตัวมันโดยกระทันหันเช่นนี้ถึงไม่อาจจะมองเห็นแต่ละฝ่ายได้ว่าใครอยู่ที่ไหนยังปกติเรียบร้อยดีหรือเปาลาหรือว่าถูกลมดูดปลิวไปแล้วไม่เห็นว่าพี่ชายใหญ่คงยืนตัวงออยู่โซเซอยู่ปากเบื้องเผาด้วยความเป็นห่วงพักพวกดาลินก็ยันกายลุกขึ้นคว้าได้เข็มขัดเบื้องหลังของเชษฐากระชากให้เข้ามากลิ้งหลบอยู่ในซอกโพรงที่ลึกเข้าไปตำแหน่งเดียวกับที่หลอนเขาไปหลบอยู่ก่อนแล้ว ยืนตรงนั้นพี่ยายหลบข้ามาอมกรหลอนตะโกนกรอกหูพี่เป็นห่วงพวกนั้นไม่รู้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากเอาตัวเราให้ปลอดภัยไว้ก่อนเท่านั้นลักษณะของมันคือทอร์นา โ, โดแน่ๆ แ, แต่ทำไมถึงมาเกิดในหุบผาก็ไม่รู้ความยิม่งชวงจินควรจะต้องเกิดในที่ ล, าล่าโปล่ง2พี่น้องตะโกนพูดกันตะเบงแข่งเสียงพายุเชิดถาพยายามควานหาวิทยุประจําตัวที่เน็บเอาไว้ แต่ดารินถ่วงตัวเองขึ้นมาถืออยู่ในมือแล้วร่อนกรอกคําพูดเร็วปื้ลงไปเรียกทุกคนเช่นกับพี่ใหญ่ปลอดภัยพอสมควรแล้วใช้ยันได้ยินไหมเป็นยังไงบ้างอึดใจะใหญ่จะมาเสียงชายยันแบบสําลักจิงดังก้องต่อมาโอเคโอเคทั้งฝ่ายชั้นขยินและลูกหาบทุกคนหาที่หลบภัยเฉพาะตัวได้ครบคนแล้วอาจมีใครถลอกปอกเปลืองหัวล่างข้างแตกกันไปบ้างจะไม่หนักหนาอะไรนะักเข้าของทุกอย่างอยู่ครบ เรียกพี่กลางเรียกลุงอินดาวรินตะโกนทางวิทยุต่อไปเงียบไม่มีเสียงตอบจากคนใดคนหนึ่งเบื้องบนหน้าผาสูงนั่นเลยแต่ตรงข้ามสอดแทรกมาพร้อมกับเสียงพายุกับได้ยินเสียงหน้าผาทั้งสองลัน่นเครืกๆึกสะเทือนไปหมดไม่กี่อึดใจก็มีเสียงหินถลม่มตูมตูมลงมาตามแนวทางสูงชันนั้นไม่มีปัญหาหนอหินงอกที่ยังพอมีเหลืออยู่ข้างบนยอดผาทั้งสองด้าน เริ่มจะทานอำนาจลมโกรธไม่ไหวหลุดร่วงจากตำแหน่งที่มันฝังอยู่เพราะความเป็นหินปูนเปราะๆ ร, ร่วงลงมาเป็นระยะๆประเดี๋ยวโครมที่นั่นประเดี๋ยวโครมที่นี่สถานการณ์ดูจะเลวร้ายลงทุกขณะเงามโมจุราดแผ่ครอบคลุมตลอดอนาบริเวณช่องผาผีร้องนั้นทุกตารางนิว้วโวยสนุกเก่งโวยให้มันได้ยินสิพวกไม่มีใครใช้ยันนั่นเองที่แหกปากตะโกนขึ้นแล้วก็ปรากฏเสียงร้องโอ้ยขึ้นมาแทนที่ เมก้อนหินขนาดตมสามโคก้อนหนึ่งโลนโครมลงมายังแนวทางใกล้กับซอกที่เขาเข้าไปซุกตัวเกาะแง่หินอยู่แรงที่มันตกลงมาทําให้แตกกระจายเป็นสเก็ตเรากับระเบิดและชิ้นเล็กๆขนาดฝ่ามือแผ่นหนึ่งปริวแวบเข้ามาทากหน้าผากเหนือน้อหางคิ้วของอดีตนายทหารปืนใหญ่ความแรงและความคมของมันเรากับมีดเฉือนเกิดบาดแผลเป็นแผลยาวประมาณสองนิ้วเลือดพุ่งกระฉูดออกมาทันทีใช้ยานอาฝ่ามือตะคุบไว้ อุดไม่ให้เลือดทะลักออกมามามากโชคดีที่มันไม่กระทบหน้าตรงหน้าสาไม่เช่นนั้นบาดแผลและอาการของเขาจะต้องสาหัสกันแน่ชายันเลยได้แต่นั่งแยกเคี่ยวเอาามือกดบาดแผลลอยถูกหินเฉือนอยู่นั่นเองเงียบเสียงไปความฉุกระหุกและเสียงอันประสานอื่นๆไปหมดในขณะนั้นทําให้ทั้งดารินและเชษฐามไม่ทันเฉลียวคิดในเสียงร้องตกใจของชายยันและไม่ได้สอบถามมาคงเรียกอนุชาและนานอินซ้ําๆอยู่เช่นนั้นเพราะทั้งสองบุคคล บนที่สูงขึ้นไปย่อมอยู่ในเกณฑ์อันตรายกว่าทุกคนเบื้องล่างแน่แต่ยังไม่มีเสียงตอบอย่างใดจะคนใดคนหนึ่งแววลงมาให้ได้ยินเลยเรากลับไม่มีบุคคลทั้งสองอยู่ในโลกนี้แล้วเช่นั้นตายแล้วพี่ใหญ่นี่ทําไมพี่กลางกับนานอินถึงเงียบฉี่ไปแบบนี้หล่อนคลางกับเชททิดถาอย่างร้อนรุ่มสุดขีดทําใจดีๆไว้น้อยเชื่อมือกลางกับนานอินเถอะถึงยังไงทั้งสองคนนั้นก็เอาตัวรอดได้แน่อาจมีอะไรทําให้ทั้งสองคนนั้นตอบมาไม่ได้ก็ได้ ยังไม่ทันขาดเสียงพูดของเชืฐาก็ปรากฏเสียงกรรมปนาตสะเทือนเลื่อนลั่นของกระสุนไลเฟิลจุดสามแม็กซ์ของหนานอินแพดคลื่นขึ้นสะท้อนกล้องไปทั้งสองฝั่งหน้าผาและอากาศเบื้องบนอนุภาคแห่งเสียงนั้นดูจะกรอบเสียงพายุร้ายลงทั่วขณะที่มันคำรามออกไปแล้วก็มีคลื่นเสียงซ่าแทรกไปในคลื่นอากาศวิปริตแววยาวไปไกลแทกทุกอนูของอากาศอาเพศขณะนี้ ดารินกับเชษฐาหันมามองหน้ากันเมือนจะถามว่านานอินยิ่งอะไรแต่ก็ไม่เป็นคำพูดนอกจากเกาะแขนกันไม่แน่นกังวานเสียงไรเฟิลจางหายสนิทไปแล้วคงเหลือไว้แต่อิทธิฤทธิ์ของเทพเจ้าแห่งวาตะที่คลางอยู่วื้วเทว่าแค่อึใจใหญ่ๆเท่านั้นพยายุร้ายดูจะค่อยๆผ่อนความรุนแรงลงทุกขณะเป็นที่น่าอัศจรรย์มันบางเบาลงไปเรื่อยๆกระทั่งในที่สุดเพียงไม่เกิน 3- สนาทีก็เหลือแต่เพียง กระแสลมที่ผ่านช่องตรกเขาเท่านั้นหมดสิ้นอาการเกลี้ยวกราดหน้าสะพึงกลัวชนิดที่หมุนลงมาม้วนเอาซับสิ่งภายในช่องเขานั้นให้ปลิวลอยหายขึ้นไปบนท้องฟ้าชนิดี่มันสําแดงเด็ดอยู่เมื่อครู่นี้ทุกคนค่อยๆ่อโผล่ออกมาจากช่องออกมาจากที่ซ่อนตัวงแงนมองขึ้นไปเบื้องบนก็เห็นเมฆดําที่ม้วนเป็นเกลียวอยู่นั้นเริ่มแผ่กระจายวงกว้างออกไปเหมือนมีอะไรมาตีให้แตก มันมีปฏิกิริยารวดเร็วพอะกอกับการเข้ามารวมตัวของมันก่อนที่จะกลายเป็นปลมงวงช้างจูโจมลงเล่นงานทั้งหบดออกมายืนงงตะลึ ง, งานกันไปหมดแล้วก็โห่ร้องกันอย่างยินดีเมื่อเห็นอดีตพรานชดและนานอินกําลังค่อยๆไต่ลงมาจากหน้าผาเมลตย์นั่นอย่างระมัดระวังต่างตะโกนเรียกสองคนแซดไปหมดแล้วพากันเข้าไปจับกลุ่มกันอีกครั้งดาเรีนผู้มีหน้าอันซีดเผือดวันนี้เริ่มหน้ามีสีเลือดและยิ้มออกมาได้ตาเป็นประกายพี่กลางลุงอิน มันตโกนเรียกขึ้นไปอย่างดีใจอนุชาบัณนี้ลงมาจึเกบจะถึงแล้เกาะชะงอนแง่พักเหนื่อยหันมาโบกมือให้ทุกคนส่วนนายนิยังตายลงมาช้าชาลักษณะของแกเยือกเย็นอยู่เช่นเดิมในที่สุดทั้งคูก่ก็โดดจากชะงอนแง่สุดท้ายลงมาท่ามกลางหมู่พักพวกที่รอรับอยู่แล้วทุกคนปลอดภัยดีหรือเปล่าครับข้าของและอยู่ครบไหมอนุชาถามขึ้นเป็นประโยคแรกขณะที่กวาดตามองไปยังทุกคนอย่างเป็นห่วง ก็ถูกลูกผูกกลาหนกันเต็มเหยียดเลยเชิวแหละจะปลอดภัยทุกคนสัมภาระเข้าของอยู่ครบเว้นแต่ผ้าขาม้าของใครบางคนจะถูกไอลมมหาการนั่นดูดปลิวบ้างไปเท่านั้นเธอกับลุงอินเราเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงแทบแย่แล้วพี่ชายใหญ่ตรงเข้ามาจับไล่เขย่าถามโดยเร็วอดีตพรานชดยิ้มแคนแครนแล้วหันไปมองดูนานอินผู้กําลังเอาชายผ้าขาม้าเคียนเอวอยู่เช็ดฝุ่นลองที่จับอยู่เต็มใบหน้า ก็ทำท่าจะถูกดูดลอยขึ้นไปชมสวรรค์เหมือนกันแหลกทะลับโชคดีได้ซอกหินใกล้ๆเข้าไปซุกตัวอยู่มันมาแบบไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเลยพอพี่ใหญ่ร้องเตือนให้ระวังเท่านั้นมันก็เล่นงานผมกับลุงอินก่อนเลยเกือบเสียหลักพลัดหลุดออกมาจากบนนั้นมันฉกวูบ ล, ลงมายังกามีใครเอาท่อยักมาดูดงั้นแหละแล้วนี่ยังไงกันนี่บทจะมาก็มาอย่างวูบวาบไม่มีรางบอกเหตุเลย หมดจะไปก็ไปได้ไง่ายๆรวดเร็วแล้วเกินเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงไลเฟิลสนันไปหมดใครยิงอะไรลมงวงช้างบางทีก็เรียกลมกลดรดพรานครูพูดถ้าเอ่ยบนันเนอร์ๆปนหัวเราคื อ, อในลําคอมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นายถ้ายาักษ์มันเป็นเจ้าปกครองแถบไหนและหมายจะลองดีกับมนุษย์เมื่อมันบันดาลขึ้นได้มันก็เราก็แก้มันได้เสียงปืนตะ ก, กี้นานอินใช้ยิงกระสุนลงอาคมยิงขับมันไปเสี้ยมมันก็เลยถอย ทุกอย่างในป่ามันเกิดขึ้นได้เกาแก้กันได้ขอเพียงให้รู้เคล็ดรู้วิธีแก้เท่านั้นนานอินก็สิทธิ์มีครูเหมือนกันไม่งั้นไม่อยู่ในป่าไม่ได้จนถึงป่านี้หรอกเฉษฐาดารินและชายยันอดไม่ได้ที่จะจ้องมองดูครูพ่านพูดเท่าด้วยความพิศวงอยู่ความคันทั้งๆที่รู้กันอยู่ก่อนแล้วว่านานอินนั้นในเรื่องสายเวทอาคมเกี่ยวกับป่าดงพงไพ่และแกมีฝีมือขนาดไหนจะว่าแกคุยก็ใช่ทีพระตามปกติแล้วนานอินไม่เคยพูดถึงความยิ่งใหญ่ของตนเองเลย และทุกคนก็เห็นประจักษ์ชัดอยู่กับตาโยกหยกเพียงแค่เสียงปืนที่แกยิงขึ้นฟ้านัดเดียวเท่านั้นพายุที่เกิดขึ้นอย่างหน้าเกรงอันตรายแล้วกับจะบรนดาลขึ้นด้วยเวทมนต์ของผีร้ายก็สาหายไปทันทีแในบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็สงบราบคาบลงตามเดิมเหมือนไม่ไดเกิดอะไรขึ้นเลยตะวันบ่ายเริ่มกระจายแสงฉาบท้องฟ้าเบื้องบนอีกครั้งเป็นสีแดงเหมือนแสงโกเมนเด็ดจริงๆลงอินให้มันได้อย่างนี้สิ ถึงไม่มีระพินก็มีลุงมาด้วยอย่างนี้พวกเราก็อุ่นใจอยู่ที่สุดละชา ย, ยันล้องออกมาอย่างลิงโลดโดดเขาจับมือครูผานผู้เท่าเขยา่าแกกระทักออกมาว่าแล้วนั่นนายทหารเป็นอะไรเลือดไหลเต็มหน้าเธอถูกอะไรเข้าเนื่องจากชา ย, ยันเอามืออุดที่แผลออกไปจับมือหนานอินบาดแผลจากรอยหินบาดเลือดจึงไหลลินออกมาอีกทุกคนหันขอบและอุทานมายังตกใจชา ย, ยันโบกมือไม่เป็นร้ายนิดหน่อยเท่านั้น ินก้อนใหญ่มันตกลงมาใกล้ๆแล้วแตกสเก็ตปลิวมาโดนบาดคิ้วเข้าดารินปลาดเข้ามาดูทันทีใช้ผ้าพันคอของหล่อนเช็ดเลือดให้ให้เห็นบาดแผลชัดชา ย, ยันก็รีบบอกมาว่าไม่ต้องเย็บนะน้อยุ่งยากประปายเอาแค่ห้ามเลือดแล้วก็เอาบรัสเตอร์ปิดไว้ก็พอและทุกคนหยุดเรื่องอื่นลงในก่อนในทันทีต่างหันไปเอาเจใส่กับอาการของชา ย, ยันที่รู้สึกว่าเลือดจะออกมากดารินร้องเรียกหากระเป๋าวชภัณฑ์ของหล่อนทันที ขณะเดียวกันเทศยาก็สั่งให้ไปยังพวกลูกหาบทุกคนให้ช่วยกันสำรวจว่าใครได้รับบาดเจ็บที่จะต้องเยียวยาเช่นไรบ้างเป็นการสำรวจตรวจสอบกันอย่างฉับพลันทันทีทั้งหมดหยุดรวมกลุ่มกันอยู่หน้าที่ตรวจนั้นชั่วขณะหนึ่งไม่เย็บไม่ได้นะชัยยันมันฉีกมากทีเดียวถึงกระดูกขมับเลยแล้วก็เป็นแผลปากฉลามด้วยดารินพูดเร็วปือภายหลังจะกดไหลเพื่อนชายให้ซุดลงนั่งและตนเองคุกเข่าตามลงไป ยังใช้มือตรวจดูรอยบาดแผลนั้นอย่างละเอียดเชิดาอนุชาเข้ามา ก, ก้มลงดูด้วยพอเห็นรอยแผลที่ถูกหินบาดเขาทั้งสองก็รีบบอกโดยเร็วเชื่อน้อยเธอชา ย, ยัานบาดแผลแกไม่ใช่เล็กน้อยเลย ร, รู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนี้มึนๆง ง, งงงงนิดหน่อยชา ย, ยันฝืนยิ้มตามคาบอกความรู้สึกแท้จริงอาการนั่งอาการนั่งของเขาทรงตัวไม่ตรงนะักเริ่มจะงงเงียนมีอาการเหมือนจะเป็นลม เอ็นตะแคงลงเชิดถาคว้าตัวไว้ททนประคองไว้บนตักเลวน้อยเข้าใจว่าหินคงจะกระแทกขมับแปลงทีเดียวเชิดาร้องสั่งละล่ำละลักทักษณะของชายยันส ง, งสงเวยงเหมือนจะควบคุมสติไม่ได้ชั่วขณะดารินเข้ามาตัวยังทีท่วนอีกครั้งโดยใช้นิ้วค่อยๆทดลองกดเบาๆตามบริเวณหางคิว้วที่มีรอยบาดแผลนั้นไปจนตลอดแนวขมับชิดจรนผมเพราะยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากระดูกอันเป็นจุดอ่อนส่วนนั้นจะได้รับความกระทบกระเทือน เกิดระดับบาดแผลสดเท่าที่เห็นอยู่หรือเปล่าทุกคนสังเกตเห็นสัญญาแพทย์สาวมือดีมีสีหน้าเครียดคึมลงอีกครั้งขณะที่ค่อยๆบรรจงกดลงไปหล่อนกระซิบเรียกชื่อเขาอยู่ตลอดเวลาเสียงชยันอือๆรับคําได้ทุกครั้งแต่ดวงตาปิดหลับลงชั่วขณะระหว่างที่ศีใส ย, ยังพาดอยู่กับตักเชฐ็ฐทาอนุชาขยับปากจะพูดอะไรออกมาแต่ดาเรียนใช้นิ้วจะบริมฝี ป, ปากไว้เชิงไม่ให้เอ่ยถึงอาการใดๆของเพื่อนชายก่อนทั้งสิ้น โดยขอให้ทุกคนปล่อยเป็นภาระหน้าที่ของหล่อนคนเดียวก่อนเจ็บมากไหมขณะที่ฉันกดลงไปนี่หล่อนถามเบาๆด้วยเสียงเรียบปกติระวังความคิดวิตกกังวลไว้มิชิดนิดหน่อยไม่มากนักหรอกรู้สึกเป็นยังไงบ้างลองบอกสิดาลินถามซ้ำถึงสองครั้งช ย, ยนันยิงต่ออุ้อี้มาว่ามึนงงเวียนหัวคลื่นไส้อย่างอาเจียนพี่ชายใหญ่และพี่ชายกลางมองจับมาที่หล่อนเป็นตาเดียวเหมือนจะถาม เพราะต่างไว้ทันกันในการตรวจอย่างละเอียดของดารินขึ้นมาแล้วแต่ก็ไม่ปีปาคําใดๆทั้งสิ้นแววตาเท่านั้นที่สองประกายเป็นห่วงและทั้งสองก็รอบถอนใจเอามาอย่างปลอดโปรโ่งเมื่อได้ยินดารินบอกเหมือนประกาศได้ยินกันทั่วๆแม้แต่คนเจ็บเองว่าไม่เป็นอะไรมากนักหลอกนอกจากบาดแผลสดเท่านั้นอาการของเขาเหมือนคนที่ถูกต่อยที่ขมอับอย่างแรงแต่กระดูกไม่แตกไม่ล้าแต่งแผลเสร็จฉีดยาสักเข็มนอนพักครึ่งชั่วโมงคงจะเรียบร้อย เชิดฐาจ้องหน้าน้องสาวขายับริมฟีปากถามแํามให้ปรากฏเสียงว่าแน่ใจหรือน้อยหล่อนก้มศี้สะลงและตอบในอาการเดียวกันแน่ใจค่ะแต่ต้องพักสักระยะหนึ่งแล้วลาสกุลสาวก็พูดเสียงปกติธรรมดาว่าขอแรงหน่อยค่ะช่วยกันถามชายยันไปนอนที่เรียบเรียบหน่อยเขาจะได้พักโดยสบายและจัดการบาดแผลถนัดขึ้น รวดเร็วทันการดีที่สุดเพียงขาดคำสั่งเท่านัา้นอนุชาก็ตรงเข้ามาหามท่อนล่างในขณะที่เชษดขาวประคองผลิษะกับไหลช่วยกันยกชัยยา น, นำไปวางนอนราบลงกับพื้นริมหินผ้าผานานอินและที่ยินช่วยกันปูผ้าพลาสติกให้นอนนิ่งๆ น, นะชัยยานไม่ต้องห่วงอะไรเราจะพักกันที่นี่ก่อนจนกว่าเธอจะรู้สึกดีขึ้นเชื่อว่าคงไม่นานหรอือจะหลับสักนีบก่อนก็ได้ ชั ย, ยันพยายามจะ ย, ยันกายลุกขึ้นมาทั้งทง ท, งที่ตายยังปิดอยู่แต่เชิดทากดไหลให้นอนลงตามเดิมอย่าดื้อตามตามคำสั่งของหมอเป็นดีที่สุดรับรองว่าก่อนค่ำวันนี้เราต้องออกเดินทางต่อไปได้อีกก็ให้แกยอมนอนพักแค่เดียวเดียวเท่านั้นฉันไม่คิดว่าคนโชคร้ายที่สุดคราวนี้จะกลายเป็นฉันไปความจริงฉันว่าฉันไม่เป็นอะไรมากนะจากสีหน้าอันซีดนั้นชา ย, ยันพึมพำออมาพร้อมกับฝืนยิ้ม แกโชคร้อยกว่าทุกคนแต่ไม่มากนักหรอกแล้วถ้าแกยอมทําตามคําสั่งของน้อยเรื่องเล็กก็จะเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าขืนดันทุลังไอ้เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปหมายถึงว่าอาการของแกจะเลวลงไปกว่า น, นี้สเก็ตก้อนหินนั้นไม่เพียงแต่จะเฉือนหางคิ้วแกเท่านั้นมันยังกระแทกขมับแกด้วยตอนนั้นกําลังตื่นเต้นสับสนกันอยู่แกจริงยังไม่ค่อยจะรู้สึกเท่าไหร่นะอดีตเพื่อนตายของพี่น้องสกุลเวลาฤทธิ์ผู้สละทั้งเมียสาวสวยและลูกน้อยที่เพิ่งเกิด เสี่ยงชีวิตตามเพื่อนมาเพราะความรักเพื่อนยอมสงบจะโดยดีพยักหน้านิดหนึ่งดารินเข้ามาจัดการกับบาดแผลสดก่อนชำระล้างปากแผลนั้นด้วยเซลาลที่ติดมาพร้อมกับเครื่องเวชภัณฑ์เย็บด้วยฝีมือประณีตระมัดระวังสีเข็มฉีดยากบบาดทะยักและยาประเภทละงับประสาททุกสิ่งเสร็จสัภายในเวลาไม่เกินสี่ห้านาที ด้วยฝีมืออันคล่องแคล่วชำนาญและกล้มลงจูบเบาๆที่แก้มของชัยยันอย่าห่วงอะไรทั้งสิ้นนอนพักให้สบายถ้ามันจะหลับก็อย่าฝืนขอให้หลับสักขณะหนึ่งก็ยังดีฝันถึงเมยและลูกเล็กๆของเธอไปพังพางก่อนยิมฝีปากแห้งผากนั้นยิ้มอีกครั้งขอบใจน้อยนั่นเวลาเท่าไหร่บ่ายสามกอีกสนาทีฉันไม่ชอบเลยที่ตัวเองต้องมาเป็นภาระทวงการเดินทางของพักพวกแบบนี้เสียงชายยันอุบอิบอะไรในลาคอ และตอบอีกสองามประโยคที่ฟังไม่ได้สับจากนั้นก็สงบนิ่งราบคาบไปเชษฐ า, พ ร, า, ออาพระเดินห่างออกมาพระเดินห่างออกมาและดีดนิ้วเบาๆเรียกน้องสาวเข้าไปใกล้อนุชาก็ตามเข้ามาด้วยอย่าปิดกันนน้อยอาการของชายยันหนักมากพี่ชายใหญ่กระซิบทำอย่างจริงจังเพราะยังไม่ไว้วางใจสนิทหนะักพูดยากค่ะจะว่าหนักก็หนักจะว่าไม่หนักก็ไม่หนักต้องรอดูอาการของเขาภายหลังจากลุกศึกตัวอีกครั้ง บาดแผลฉีกนะเรื่องเล็กแต่การกระทบกระเทือนที่ขมับยังเป็นสิ่งที่น่าคิดแต่น้อยทดลองกดดูตรงกระดูกขมับแล้วถ้าแตกหรือเล้าก็เรื่องใหญ่ทีเดียวชายยันไม่รู้สึกเจ็บมากนักในระหว่างที่กดลงไปจึงยากจะเชื่อว่าไม่เป็นอะไรอย่างที่เราระแวงไปมันเหมือนอย่างนี้ยังไงคะหล่อนพูดพร้อมกับกำหมัดให้ดูโดยโผลข้อของนิ้วกลางออกมาให้เป็นมุมแล้วทำกระแทกลงกับขมับของตัวเองบอกต่อไปว่า อาการที่เขาถูกแผ่นหินกระแทกก็คงคล้ายๆถูกต่อยด้วยกำปั้นที่กำ แ, นะแบบนักยูยิสูแบบนี้โดยผู้ต่อยจะใช้ข้อนิ้วกระทุ้งเข้าไปตรงจุดอ่อนของขมับผู้ถูกต่อยจะเป็นลมหมดสติไปชั่วขณะมีอาการวิงเวียนคลื่นไส้อย่างที่เขาบอกตะกี้นะน้อยให้ยาสะกดเขาเพให้หลับสักชั่วโมงเท่าที่ตรวจดูนั้นหากหนึ่งชั่วโมงเขาตื่นขึ้ น, นมาในสภาพมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน ทุกอย่างโอเคพี่ใหญ่กับพี่กลางอย่ากังวลไปเลยค่ะเอาว่าน้อให้การรับรองว่าชา ย, ยันจะปลอดภยัย9 0สอร์ำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้เชิดาหันไปดูทางเพื่อนผู้นอนงายราบสงบอยู่แล้วถอนใจเบาๆอย่างสมเพทชา ย, ยันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในโลกของเราเขาตามมาด้วยก็เพราะความรักเพื่อนนั่นเองการเดินทางครั้งนี้ถ้าจะเป็นอะไรลงไปที่จะเสียใจอย่างบอกไม่ถูกเพราะฉะนั้นถ้าจาเป็นจริงๆแล้วก็ เราควรจะหยุดพรกการเดินทางไว้ก่อนเพื่อเห็นแก่ความปลอดภัยแน่ๆของเขาจะเสียเวลาสักเท่าไหร่ก็ต้องยอมและน้อยในฐานะแพทย์ประจำคณะซึ่งจะต้องรู้ว่าอะไรดีกว่าพี่จะต้องบอกความจริงด้วยไม่ใช่มัวปิดอยู่คิดแต่ห่วงพวงที่จะติดตามหาคู่รักของตนถ่ายเดียวประโยคหลังพี่ชายใหญ่เน้นคาหนักแน่นน้องสาวหน้าเสีย โทษพี่ใหญ่เห็นน้อยเป็นอะไรไปเสียแล้วน้อยก็รักเป็นห่วงชัยยันไม่น้อยไปกว่าทุกคนนั่นแหละค่ะแล้วก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวคิดจะตามหารพินโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของเพื่อนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับชัยยันครั้งนี้น้อยอยากที่จะให้มันเกิดขึ้นกับตัวน้อยเองเสียด้วยซ้ำเราเนาะเทวดาคุ้มตัวแข็งมากและก็มีอํานาจในตัวเองอย่างประหรลาดในอาณา จ, จักรป่าดงพงไพร รับรองไม่เป็นอะไรหรอกไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายสักขนาดไหนอนุชาบอกมาพร้อมกับตบไหล่น้องสาวโดยแรงดารินยิ้มเศร้าๆขอบคุณค่ะที่พี่กางพูดเหมือนกับให้พรให้กำลังใจน้อยแต่น้อยมีความรู้สึกว่าการติดตามรพินในครั้งนี้ถ้าหากจะมีการล้มหายตายจากก็น่าจะเป็นน้อยเป็นคนแรกเสมากกว่าถ้าขอพูดอีกครั้งน้อยไม่สบายใจเลยที่เป็นต้นเหตุ ทำให้ทุกคนต้องมาลำบากเสียงชีวิตไปกับน้อยในคราวนี้ด้วยกล่าวจบร่นก็เดินพละจากพี่ชายทั้งสองไปยังพวกลูกหาบที่นั่งจับกลุ่มกันอยู่ตรวจสอบถามดูอาการพวกนั้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมากนะหัวแตกกันบ้างคนละนิดทะลอกปอกเปิงกันคนละหน่อยตอนจัดการเอายาแต้มพลาสเตอร์ปิดและจ่ายยาให้กินป้องกันอักเสบกันสุดแต่ว่าใครจะมีอาการแค่ไหน ทุกคนยังอยู่ในภาวะมึนมึนงงงงต่อเหตุการณ์แต่ขวัญและกำลังใจยังดีอยู่เหมือนเดิมทั้งหมดที่รวนและจะเป็นลูกบ้านของพระพินมีความอบอุ่นในความรักค่ายห่วงใยของเจ้านายเท่าเท่ากับที่เชื่อมั่นในฝีมือของนานอินกับพรานชดซึ่งเคยมีประวัติและอดีตอันเลื่องลือมาแล้วไม่มีใครแสดงความย่อท้อคิดที่จะหันหลังกลับเลยนายหญิงไม่ต้องห่วงในชวนหัวหน้าลูกหาพยืนยันกับหล่อนหนักแน่นระหว่างที่หล่อนสนทนาสอบถามคนเหล่านั้น อีกสักร้อยเท่าพันเท่าของเรื่องายๆที่มันจะเกิดขึ้นพวกเราก็ไม่ ม, มีวันถอยกับตายเป็นตายเพราะพวกเราก็เป็นห่วงนายละพินจะไปเอาตัวเจ้านายของเรากลับมาให้ได้เหมือนกันทุกคนล้วนใจถึงและไว้วางใจกันทั้งสิ้นเ <whether. S 1> สียงเชิดขาซึ่งบัดนี้ไปนั่งพักอยู่ใกล้ๆที่ตำแหน่งซึ่งชายยานนอนหลับไปแล้วร้องเรียกน้องสาวและทุกคนมาเบาๆสั่งให้เข้ามารวมกลุ่มกันใกล้ๆ ตำแหน่งนั้นมีเขากับอนุชาและหนานอินนั่งอยู่ก่อนแล้วดารินจึงนำคณะพวกลูกหาและขยินตรงเข้าไปพอถึงตางกรสุดลงนั่งล้อมเป็นวงกลมในลักษณะประชุมเมื่อทุกคนมาพร้อมกันหมดแล้วพี่ชายใหญ่ของคณะก็เริ่มต้นสอบถามน้องชายกลางและหนานอินขึ้นพบล่อง้อยหลักฐานอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างหมบนนั้นนี่เพิ่งจะเป็นโอกาสครั้งแรกที่ฝ่ายข้างล่าง ขอสอบถามความเห็นของฝ่ายที่ปีนขึ้นไปสำรวจบนหน้าผาจากสาเหตุที่พบหินบนหน้าผาถล่มลงมาทับเส้นทางเก่าภายหลังจากดวยกิต ก, ก, การที่จู่โจมเข้ามาอย่างกระทันหันได้ผ่านพ้นไปแล้วนอกจากซากช้างที่ถูกยิงหมอบหัวทิ่มคาอยู่กับนอหินหักบนนั้นตามที่รายงานลงมาแล้วเราไม่พบหลักฐานอย่างอื่นครับเพราะเชื่อว่าก้อนหินถล่มลงมากลบทาลายหลักฐาน อ, าอื่นๆที่ควรจะทิ้งให้เราเห็นเสียหมด อนุชาบอกช้าๆอย่างไตรตรองลึกซึ้งแต่ผมกับลุงอินปรึกษาหาลือกันแล้วก็อยากจะตั้งเป็นข้อเดาหรือข้อสันนิษฐานโดยรูปการที่เห็นอยู่ส่วนจะผิดหรือถูกพวกเราทั้งหมดจะช่วยกันพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเธอกับนานอินสันนิษฐานยังไงพี่ใหญ่ถามอย่างเตรียมพร้อมที่จะรับฟังเราหมายถึงผมกับนานอินเชื่อว่าดังนี้ครับ ภาหลังจากดื่มน้าเต็มกระหายเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ไตเข า, ากลับมาถึงอนุชาเริ่มคําอธิบายของเขาจากประสบการณ์ความชํานาญในภูมิประเทศที่เคยมีมาก่อนสําหรับบริเวณนี้ระหว่างที่เชิฐาดาเรียนในพวกลูกหับทุกคนคอยฟังหูพึ่งหยุกณวันเวลาที่ละพินนําคณะนายจ้างและพวกก็เรียงอบพยพมาจากตะเคียนทองมาถึงปากช่องขเขาแคบๆนี่เ้าคงจะไม่ดวนพรุ้นผนสั่งให้ขบวนกองคารวานทั้งหมดเคลื่อนผ่านเข้าไปในซอกอันน่ากลัวนี้ ก่อนยังเด็ดขาดเพราะระพินจะต้องมีข้อสังเกตที่หินใหญ่ก้อนที่ผมกับนานอินเคยบอกไว้ก่อนแล้วนั้นเขาจะต้องพิจารณามันอย่างรอบคอเปรมัดระวังยิ่งที่เดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อรู้ตัวเองดีแล้วว่ามีโขลงช้างร้ายภายใต้อำนาจมนโคชสา ร, รของผีดิบมันตรยัยคอยจ้องดักเล่นงานเขาอยู่ตลอดเวลาผมเชื่อแน่ว่าเขาจะต้องสั่งให้พวกนั้นหยุดรอคอยอยู่นอกเส้นทางจํากัดนี้ก่อนส่วนตัวเองก็คงจะมองหมายตา ระแวงระวังไปยังหินมฤตยูก้อนนั้นซึ่งนั่นเป็นนิสัยอันรอบครอบ ท, ทั่วไปในการเดินป่าของราพินซึ่งพวกเราทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วเอาละแล้วยังไงต่อไปคราวนี้พูดถามคือน้องสาวคนเล็กซึ่งจ้องพี่ชายตาไม่กระพริบอาจมีการทดสอบโดยส่งเสียงตะโกนก้องเข้าไปในหุบผาผีสิงนี่ตามธรรเนียมตามธรรเนียมอย่างที่ชาวป่าทุกคนปฏิบัติเวลาจะผ่านเข้าออก เป็นการเคารพต่อเจ้าเขาที่นี่อาจมีการยิงปืนเพื่อให้คลื่นเสียงแผลสะเทือนกล้องไปทั้งหกออทดลองรู้ว่าคลื่นเสียงจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติใดๆในซอกผานี้หรือไม่แล้วการตะโกนหรือการยิงปืนขึ้นก็ทำให้เป็นคลื่นอากาศทำให้หมู่หินสองหน้าผาที่ถล่มลงมางั้นหรือถ้างั้นซากช้างที่ไปพบตายอยู่บนนั้นโดนถูกยิงตามที่เธอบอกมันเกิดขึ้นอย่างไรเทศดาแย้งตัดเหตุผล อธิบายของน้อ ง, องชายแทรกมาทันทีอนุชาญนิ่งอึ้งไปชั่วขณะเอามือขยี้ปลายจมูกพยายามคิดค้นวาดภาพเหตุการณ์ซากช้างตัวนั้นถูกยิงในระยะใกล้เกือบจะเรียกว่าเผาขนสุดติดคาอยู่ยังตำแหน่งซอกหินครั้นแล้วอนุชาวเวลาฤทธิ์ก็เอ่ยขึ้นขณะทบทวนช้าๆต่อมาว่าถ้างั้นผมขอตั้งสมมติฐานใหม่ดังนี้ครับ คือเราพินน่าจะต้องมาสังเกตเพ่งจุดสนใจระมัดระวังอยู่ตรงก้อนหินสําคัญก้อนนั้นนานพอสมควรทีเดียวและอาจเป็นไปได้ในข้อที่ว่าเขาเห็นพิรุธบางสิ่งบางอย่างตรงก้อนหินกิ่วก้อนนั้นอาจมองเห็นวี่แววของช้างตัวนั้นที่แอบซุ่มอยู่เพืออาจจะเห็นลางบอกเหตุที่ไม่น่าไว้วางใจซึ่งเป็นการแน่นอนว่ า, าเขาสงสัยว่ามีอะไรซุ่มอยู่หลังก้อนหินมื่อยู่ก้อนนั้นโดยตเตรียมที่จะผลักดันหินก้อนใหญ่ถลม่ม ขาดจากลอยกิวล่วงลงมาภูผาทั้งสองด้านก็ถูกแรงสะเทือนทำให้หินร่วงพลูตามกันมากรบทับเส้นทางอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่และทาละพินมีความรู้สึกเนกขณะนั้นเหมือนที่ผมตั้งเป็นข้อสมมุติมานี่พี่ใหญ่หรือน้อยลองทายเหตุการณ์ต่อไปสิครับว่าเขาควรจะทำอย่างไรเชษถามเมมรินฝีปากใกล้ค ร, ครวแจะดาลินบอกมาในทันทีว่า ถ้าเป็นอย่างที่พี่กลางวาเรพินจะต้องสั่งให้ขบวนทั้งหมดหยุดอยู่นอกเส้นทางก่อนโดยยังไม่ยอมให้เสียงเดินเข้าซอกแน่นอนและตัวเขาเองอาจคนเดียวหรืออาจพร้อมด้วยพรานมือดีของเขาบางคนก็จะต้องไต่หน้าผาขึ้นไปดูอย่างตำแหน่งที่สงสัยนั้นยังไม่มีปัญหาใช่ไหมคะพี่ใหญ่ประโยคหลังหลอนหันมาขอความเห็นเชิดาอาดีตท่านทูทานปกก้มจิษะลง เขควรจะเป็นอย่างทํานองนั้นเพราะเขาจะปล่อยให้ไม่ใ ห, ให้ให้มีสิ่งใดเครือบแครงเสี่ยงต่ออันตรายของพรรคพวกโดยให้พวกนั้นเดินเข้าไปในซอกนี่ไม่ได้แน่แน่เรารู้กันอยู่แล้วว่าละพิทไม่เคยมีจุดประมาทเลินเล่อหรือมองข้ามข้อสงสัยแอนนาจะเกิดอันตรายแก่บุคคลในรับผิดชอบเขาเลยในเรื่องนี้เราแน่ใจได้เลยว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่จะต้องเป็นผู้เสี่ยงตายขึ้นไปยังก้อนหินก้อนนั้น ส่วนจะมีใครตามขึ้นไปด้วยก็เกินกว่าที่เราจะคาดคะเนได้อนุชาดีดนิ้วบา่บา่อล้ครับเมื่อเราปรงใจเชื่อเช่นนั้นแล้วคือรพินไตขึ้นไปยังหน้าผาตำแหน่งสุดยอดนั้นและเมื่อเขาคืบใกล้เข้ามาก็าจะต้องผเผชิญช้างใหญ่ตัวนั้นแอบซุ่มอยู่ในลักษณะที่รอคอยทีเตรียมที่จะใช้พลังเพื่อทาให้ก้อนหินนั้นขาดตกลงมาเป็นการเห็นในระยะกระชั้นชิดใกล้ๆเขาจะทาอย่างไรต่อไปยิง เชิดฐาดารินล่องเอามาพร้อมกันครับนั่นเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่ตะพินจะทำได้ในภาวะเช่นนั้นจากรอยกระสุนที่ผมกับลุงอินเข้าไปตรวจ ด, ดูมันเจาะเข้าโพรงน้ําเต้าในระยะกระชันชิดทีเดียวทะลุผ่านกะโหลกเม็นที่ตั้งของสมองมีรูผ่านออกในมุมเฉียงขึ้นสูงเนื้อศีสะบริเวณใกล้เคียงกับต้นคอและแสดงว่าผู้หญิงได้ยิงสวนจากด้านต่าขึ้นมาเป้าหมายที่สูงกว่า ได้เป็นการยิงด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวเจ้าช้างหลายตัวนั้นถล่มลงขาดใจทันทียังเฉียบขาดเชิฐถายัางเต็มไปได้วยแววพิสวงช้างตัวนั้นถูกยิงฟุบลงมันก็น่าจะยุติทุกสิ่งทุกอย่างลงเพียงแค่นั้นแต่หินมันยังพังมาได้แลวกับแผ่นดินถลม่มถ้าพี่ใหญ่ขึ้นไปสำรวจภูมิประเทศแบบนั้น พร้อมกับผมและลุงอินพี่ใหญ่ก็จะเข้าใจได้ดีที่สุดครับว่ามันเกิดขึ้นเกิดเหตุการณ์อย่างไรต่อไปอนุชาพูดอย่างมั่นใจที่สุดมีรอยที่ช้างตัวนั้นคูเขา่าสุดหมอบลงเพราะถูกปืนแล้วก็คลูดตัวเองลงมาตามความชันของหน้าผาการครลูดทะลัยตัวของมันลงมาหยุดค้างอยู่กับตำแหน่งโคนหินกิ่วก้อนั้นพอดีน้ำหนักตัวของมันมีพลังพอที่ทาให้หินกิ่วที่ม่นเม อยู่ก่อนแล้วสันสะเทือนขึ้นพูดง่ายๆว่าวหัวปักลงมาชนอย่างแรงนั่นเองคราวนี้หินก้อนนั้นขวางล่วงลงบริเวณหินบริวารอื่นๆจึงพลอยถล่มล่วงตามเป็นลูกโซ่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่เราสันนิษฐานกันไว้แล้วแล้วละพินละ่ะหลังจากนั้นดารินร้องขึ้นเบาๆโดยเลวเบิกตาโตพี่ชายกลางอนิ้วขยี้ปลายจมูก นี่คือปัญหาใหญ่ที่เราจะมาสะดุดชะงักใช่แล้วรรบพินเองละ่ะแล้วคนที่ติดตามเข้าไปหน้าผานั้นด้วยละ่ะถ้าหากว่าจะมีคนตามขึ้นไปด้วยจะต้องตกอยู่ในภาวะใด ท, ทันทีที่หินก้อนนั้นขาดร่วงภูเขาถลม่มมันเป็นสิ่งที่พวกเราเหลือจะเดาได้ดีทีเดียวโลกซีกส่วนนี้มันจะหมุนคว้างไปหมดด้วยแรงสะเทือนของภูเขาถลม่ม ช้างตัวนั้นตายก็จริงแต่การตายของมันคือการถล่มของหินเช่นกันถ้าคิดในแง่ดีก็คือกระพินจะต้องหาที่ยึดเหนี่ยวและหลีกหลบภัยจากก้อนหินร่วงเหล่านั้นได้ถ้าคิดในแง่ร้ายร่างของเขาจะต้องถูกก้อนหินก้อนใดก้อนหนึ่งร่วงหล่นลงมาประทะตัวเองกระเด็นหลุดจากตามฝนหินเหล่านั้นลงไปด้วยและขณะนี้ก็คงจะแหลกยับอยู่ใต้กองหินที่เราอยู่กันในขณะนี้แหละเหตุการณ์ตอนนั้นพวกเราไม่เห็นก็จริง แต่มันจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่โอลมาณสับสนและหวาดเสียวยิ่งกว่าพวกเราโดนพายุเทอร์นาโดเมื่อครูนี้หลายเท่านะใครก็ตามที่บังเอิญเดินเขาเ้าไปในซอกเขานี้ก็จะต้องถูกหินหล่นลงมากรบทับทั้งเป็นกันทั้งหมดไม่ว่าจะมีจำนวนสักเท่าไหร่อนุชาชี้มือลงไปยังบริเวณส่วนนอกของแนวผาขนาบที่ต่ำลงไปก่าวต่อ และแม้ว่าจะมีกองคารวานพวกเขาถูกสั่งให้หยุดอยู่รอบนอกเส้นทางข้างล่างนั้นโดยยังไม่ให้เดินเข้ามาในซอกแคบนี่ก่อนก็ตามพวกนั้นจะต้องกระจัดกระจายผ่นกันชนิดหูตูบทีเดียวขณะที่หินมันถล่มลงมาเพราะนอกจากจะล่วงพลูมากบเส้นทางแล้วเศษหินบางส่วนก็ยังกระเด็นกระจัดกระจายออกพ้อนนอกเส้นทางกระดอนกลิ้งเข้าใส่พวกที่อยู่ด้านนอกอย่างไม่มีปัญหาเพราะปริมาณมันมากเหลือเกินไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนตันที่มันพลูลงมา ถ้าหลบไม่ทันก็มีสิทธิถูกทับตายเหมือนกันแต่เท่าที่เราตรวจผ่านแล้วไม่มีวี่แววว่าใครจะตายหรือบาดเจ็บอยู่ด้านนอกนั่นดารินเริ่มหน้าถอดสีเพื่ออีกครั้งมโนภาพของเราดูเหมือนจะเห็นเหตุการณ์ตอนนั้นอย่างเด่นชัดที่สุดตามคำบอกเล่าของพี่ชายกลางเชษฐาสังเกตเห็นได้ก็ตบที่ไหลน้องสาวหนักๆพูดปลอบใจว่า นี่เป็นเพียงแต่ข้อสมมติคาดคะเนของกลางเท่านั้นน้อยมันอาจเป็นจริงตามที่กลางว่าทั้งหมดหรือเป็นจริงในเพียงบางส่วนก็ได้ตราบใดก็ตามที่เรายังไม่มีหลักฐานมายืนยันได้มากกว่านี้เราก็ยังลงความเห็นที่แน่นอนลงไปไม่ได้แต่พี่เชื่อในความจริงอยู่อย่างเดียวความจริงอะไรคะเสียงของน้องสาวเบาเหมือนกระซิบทรพินตายหรือบาดเจ็บมาก การเดินทางจะต้องสะดุดชะงักทันทีไม่มีใครจะกล้านําทางแทนเขาต่อไปได้หรอกเท่าๆกับที่อเมริกันพวกนั้นก็คงไม่กล้าบุกบันต่อไปอีกเช่นกันนอกจากจะถอยกลับแต่นี้เราไม่พบร่องรอยการถอยกลับของพวกนั้นเลยไม่ใช่หรือเหตุผลของพี่ชายใหญ่ทําให้ทั้งอนุชาและดารินมองเห็นข้อเท็จจริงขึ้นมาทีเดียวอดีตพรานชดรีบออกตัวว่า ผมไม่ได้ยืนยันว่ารพินจะต้องถูกหินชนปะทะตกลงมาเพียงแต่ตั้งเป็นข้อคิดไว้เท่านั้นว่าถ้าขณะที่เขายิงตูมไอช้างเวนัน่นหัวทิ่มลงชนหินขาดเกิดการถล่มของหน้าผาขึ้นถ้าเขาหลบไม่ทันก็ต้องตกลงมาป้องกับหินนั่นด้วยแต่ถ้าหลบทันก็หล่อตัวไปได้ผมพูดในแง่มุมกว้างซึ่งอาจเป็นไปได้หลายๆกรณีแต่เมื่อพี่ใหญ่ให้ความเห็นว่าถ้าหลบพินเป็นอะไรลงไปเสียก่อนการเดินทางจะต้องหยุดชะงักผมก็เห็นด้วยในข้อนี้เหมือนกัน ลงอินว่ายังไงเชิดถามองไปยังพรานครูพูดทอดซึ่งนั่งฟังอยู่เงียบๆแทบจะไม่ออกความเห็นอะไรเลยเรื่องอะไรล่ะนายใหญ่แกย้อนถามมาซื่อๆอย่างไม่เข้าใจในคําถามของเขาเรื่องที่ว่าทําไมหินมันถึงล่วงลงมาถมเป็นถนนใหม่ขึ้นในซอกเขานี่นะสิก็อย่างที่พรานชดว่านั่นแหละนายใหญ่ นายรพินไต่าทางขึ้นมายิงช้างตัวนั้นเ พ, พอช้างล้มเลื่นลงมาชนหินใหญ่หินเล็กทุกก้อนก็ปล่อยล่วงลงมาหมดแกบอกสั้นๆแล้วรพินละ่ะลุงคิดว่าเขาร่วงลงมาพร้อมหินด้วยไหมดารินถามเกืจะไม่มีเสียงพรานเท่าสั่นหน้าชชาๆนานอินไม่เชื่อว่านายรพินจะมีอันเป็นไรถึงแก่ชีวิตจากภัยของป่ายกเว้นอย่างเดียวไม่สบายแล้วตายจากไข้จับสันของแกเท่านั้น เอางี้ดีกว่าอนุชาเอ่ยขึ้นยังตัดสินใจระหว่างที่พวกเรานั่งพักอยู่ที่นี่เฝ้ารอดูอาการของนายทหารชัยยันลงอินกับขยินลองสำรวจเส้นทางนี่ไปก่อนสิไม่ต้องไปไกลมากนะไปสักสี่สิบเส้นทะลุออกปากช่องทางโน้นตรวจดูให้ชัดว่ามีรอยของพวกนั้นเดินผ่านไปตามเส้นทางนี้หรือเปล่าหลังจากหน้าผามันถล่มลงแล้วอา้อาววิทยุนี่ไปด้วยจะได้ติดต่อกันได้ พร้อมกล่าวอนุชาทรงวิทยุรับสง่งมือถือประสิทธิภาพสูงประจําตัวให้แก่ทันทีนันอินไม่พูดอะไรรับมาได้ก็เฉลยไลฟ์เฟิรนแล้วเดินเข้าไปตบหัวเขาหินผู้นั่งกอดเขาอยู่พยักหน้าเป็นความหมายเจ้านักเรงโตหลม่มช้างก็ลุกขึ้นยืนตามทันทียังรู้กันทั้งสองพากันออกเดินไปตามเส้นทางอุดมไปด้วยหินครุขระที่ล่วงหล่นลงมาทับเส้นทางใบหน้าออกไปยังปากทางอีกด้านหนึ่งช้าช้าตาก็สอดสองมองไปตามพื้น และบริเวณรอบด้านที่ผ่านไปด้วยก็แปลว่ามันดักเล่นงานพวกเขาตรงจุดคับขันที่สุดของเส้นทางอยู่ตรงนี้เองเจตนาหมายฝังทั้งเป็นให้หมดทั้งคณะเลยต่อมาเชษฐากล่าวขึ้นเหมือนจะพูดกับตนเองขณะที่มองไปยังบริเวณสยดสยองรอบตัวผมกับลุงอินไม่เคยประจนกับเล่กลงไอ้ผีดิบมันไตรมาก่อนในสมัยที่บุกบั่นกันไปยังเทือกพัศิวะครั้งนั้นนอกจากจะมาเห็นฤทธิ์ของมันในตอนที่เราติดหลังละพินมานี่เท่านั้น เพราะฉะนั้นพี่ใหญ่และน้อยที่ผ่านมาก่อนแล้วย่อมจะรู้ได้ดีกว่าผมอนุชาว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เหลือลายและลี้ลับขีดสุดความจริงระพินกับบุญคำช่วยกันกําจัดมันลงได้แล้วในครั้งนั้นคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างของมันจะเสื่อมสลายสูญสิ้นไปจะ ต, ตรงข้ามมันกลับหวนกลับคืนมาได้อีกและดักรอคอยแก้แค้นเขาอยู่อีกน่าจะร้ายกาจกว่าเดิมเพราะอาศัยช้างทั้งป่าเข้ามาเป็นบริวาร สุดแต่มันจะเข้าสิงบงการและซ้ำอยังไปข น, นเอาพวกศพตายซากนับอายุไม่ถูกในสุสานของนครโบราณมาเป็นเครื่องมือได้อีกด้วยรพินกับพวกนั้นล่วงหน้ามาก่อนเราและเผชิญศึกหนักเข้าก่อนแล้วไอ้ฝ่ายเราหรือตามหลังเข้ามาก็ถูกมันคอยสกัดกั้นราวีด้วยเช่นกันนี่แสดงว่าทั้งคณะของรพินและคณะของเราตกอยู่ในห่วงภายอันเดียวกันแล้วแน่นอนเพียงแต่ว่า ฝ่าย ไ, ได้จะถูกอย่างไรเมื่อไหร่เท่านั้นแต่จากหลักฐานนั้นรพินถูกอย่างหนักกว่าเรามากนะขนาดมีการล้มตายเกิดขึ้นกับหมู่คณะและตัวเขาเองก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดตอนที่เราได้หลักฐานว่าเขาถูกล่อไปตกเหวก็เมื่อรู้กันอย่างนี้แล้วพี่ใหญ่วางแผนการอย่างไรต่อไปครับน้องชายกลางขอความเห็นเชิฐานยิ่งยังไม่อาจลงความเห็นอย่างใรลงไปได้ดารินหุบปากสงบปรีดดวงตาซึมลง หล่อ น, นึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ในคืนสยองที่ผ่านมาก่อนกองทัพช้างจะบุกเข้าโจมตีหล่อนได้ไเผชิญหน้ากับมันแล้วเจ้าปุโรหิตมันไตรผู้เป็นอมตะแห่งอาณาจักรในอดีตการไกลโพ้นต้นนั้นมันอ้างถึงชาติปางบรรของหล่อนเอ่ยเรียกนามหล่อนว่าจิตรังวคนางเคเทวีอันเป็นเชธภอทพินีของพันุ์ุมวดีที่มันผูกจิตพิสวั เฝ้ารอคอยอยู่เรื่องของกษัตริย์หนุ่มอัคนีรุตศัตรูเก่าที่มันอ้างว่ากลายมาเป็นรพินไพรวันในชาติภพนี้เรื่องราวของความเสน่หาที่ภูพันเกี่ยวโยงกันเป็นปมเงื่อนซับซ้อนปรารถนายิ่งใหญ่ของมันก็คือประสงค์จะเอาตัวร่อนกลับคืนไปให้ได้เป็นกรรมเก่าที่ติดพันกันมานานแสนานานนับย้อนการได้เวลาเวลาไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นในยุคสมัยใด เรื่องราวเหล่านี้หล่อนไม่เคยปรีปากบอกพี่น้องหรือพักพวกคนใดในคณะได้ทราบเลยว่าหล่อนได้ทราบเช่นไรจากมันตรัยในคืนนั้นก่อนที่ทุกคนจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นและประจันบานกับการบุกเข้าทรวงโจมตีของโขลงช้างภายใต้มนสะกดแห่งมันตรัยเรื่องราวเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่หล่อนไม่อยู่ในฐานะที่จะนํามาบอกเราให้คณะพักได้รับทราบได้เลยเพราะใครจะยอมรับฟังได้ อีกประการหนึ่งตัวหลอนเองแม้จะจําได้ในทุกท่อยคำที่มันพูดจะสามารถมองเห็นเป็นภาพพดย้อนหลังไปในอดีตการอย่างแจ่มชัดก็จริงแต่หลอนก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นความจริงหรือไม่เพียงใดแค่ไหนเพราะขณะที่หลอนรับรู้เรื่องราวนั้นก็เป็นเวลาที่ตนเองตกอยู่ภายใต้อํานาจของการสะกดจิตครึ่งหลับครึ่งตื่นถ้าจะเชื่อตามคําบอกเล่าของมันไตรอะมนุษย์ตนนั้นก็ย่อมหมายความว่า มันติดตามราวีรพินในฐานะศัตรูคู่แคนทั้งในอดีตชาติและในปัจจุบันชาติที่เขาเกิดมาเป็นรพินชาตินี้และการติดตามมาเพื่อหมายจะเอาร่างกายตลอดจนวิญญาณของหลอนกลับคืนไปในฐานะที่มันหมายปองผูกพันทางด้านสเสน่หามาแต่ปางก่อนเป็นการทําลายศัตรูเก่าและแย่งชิงหญิงอันเป็นที่รักเก่าคืนไปให้ได้จากการรอคอยโอกาสของมันมาไม่ทราบว่าสักกี่กับกี่กันมาแล้ว ซึ่งโดยเจตนามุ่งหมายของมันเช่นนี้ก็ยังไม่มีปัญหาที่มันจะต้องทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ขัดขวางวัตถุประสงค์ของมันเพื่อให้รู้ล่วงในเจตนาให้ได้เดินทางล่วงไปก่อนแล้วเบื้องหน้าระพินภพยวันผู้แน่ละคงจะไม่ทราบความเป็นมาในอดีตการของตนเลยจะสามารถแก้ไขมหันตภัยที่หมายจองล้างจองผลาญเข้าในรูปแบบต่างๆไปได้รอดพ้นหรือไม่ และหล่อนกับคณะที่ติดตามมาเบื้องหลังเหล่านี้เล่าโดยเฉพาะตัวของหล่อนเองจะหลีกพ้นจากอํานาจอิทธิฤทธ์มายามืดของมันได้หรือไม่หล่อนจะต่อต้านอย่างไรนี่เป็นปัญหาที่ดารินวราริตรุ่นคิดด้วยความหวั่นวิตกอยู่ภายในคนเดียวไม่กล้านําขึ้นมาปรึกษาหาหรือบอกความจริงให้พี่น้องและเพื่อนได้ทราบได้นานอินและขยินเดินทางไกลลิฟออกไปแล้วอนุชาเชษฐ์คุยอะไรกันในข้อปัญหาอยู่แผ่วเบา ตัวหล่อนเองก็จมอยู่ในห่วงพววงชายยันยังนอนนิ่งอยู่อย่างสลบสลายและห่างออกไปเล็กน้อยกลุ่มลูกหาบภายใต้การนำของในชวนหัวหน้าก็านั่งจับกลุ่มคุยอะไรกันอยู่แผ่วๆบรรยากาศหนักอึ้งเต็มไปได้วยความอึดอัดกระสรับกระสายของความคิดภายในของแต่ละคนเอื้อมเงาภัยดูเหมือนจะปกคลุมอยู่ทั่วทุกอนูของบรรยากาศรอบตัวแม้จะดูคล้ายๆกับว่าเฉพาะขณะนี้ มันสงบราบคาบลงแล้วก็ตามเวลาล่วงผ่านไปพักใหญ่ดารินคงนั่งซึมนิ่งอยู่คนเดียวโดยไม่เอ่ยอะไรอีกเลยเช่นนั้นแล้วหล่อนก็แล้วหล่อนกับพี่ชายก็ไหวตัวขึ้นพร้อมกันเมื่อเสียงจากวิทยุนานอินดังเรียกขึ้นมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่านายนายพบแล้วพวกนั้นยกขยงเดินผางเส้นผ่านเส้นทางนี้ไปแน่แน่มีเศษข้าวของหล่อนรอยเดินทิ้งไว้ให้เห็นเยอะแยะทีเดียว เชษฐาถามไปโดยเร็วว่าตัวดูให้ชัดๆลุงอินทั้งขบวนกรเหลี่ยงอพยพด้วยใช่ไหมหรือว่าเฉพาะบางส่วนเท่านั้นทั้งขบวนเลยนายไอพวกตะเคียนทองอพยพก็ผ่านมาตามเส้นทางนี้ด้วยนั้นอินดาวเอาจากรอยเส้นสับสนรอยเดินสับสนมากๆคนทางนั้นก็สรุปได้แน่นอนแล้วครับพี่ใหญ่ภายหลังจากกระพินขึ้นไปยิงช้างร้ายตัวนั้นเพิ่งเกิดหินผาถล่มลงมากลบซอกทางนี้ สุดสิ้นเรียบร้อยแล้วทั้งคณะก็บ่ายหน้าเดินกันต่อไปบนเส้นทางที่เกิดใหม่นี่อาจมีใครเจ็บใครตายหรือใครถูกฝังไปบ้างก็คงไม่มากนะและยากที่เราจะเดาได้ถูกยกเว้นแต่จะไปถึงห้วยเสือร้องเมื่อไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกระจ่างชัดเมื่อนั้นเพราะเราพินจะต้องไปหยุดพักอยู่ที่นั่นเป็นสถานีสุดท้ายก่อนจะเข้าเขตนระกดาเราจะได้ความชัดเจนจากพวกห้วยเสือร้องแน่นอนโดยไม่ต้องคิดเดาสันนิษฐานอะไรกันอยู่อีก อดีตพรานชดพูดออกมาอย่างยินดีขณะนั้นเสียงนั้นอินก็ดังถามขึ้นอีกจะเอายังไงต่อไปในชดจะให้นานอินกับขยินเดินสาวรอยไปเรื่อยหรือว่าจะให้ย้อนกลับรออยู่ตรงปากทางนั่นก่อนนานอินยังไม่ต้องเดินต่อไปหรือย้อนกลับมาให้เสียเวลาคอยฟังคําสั่งก็แล้วกันอนุชาบอกกับคนของเขาและหันมาทางน้องสาวพูดว่าเป็นอันเชื่อมั่นได้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วว่าระพินของเธอไม่เป็นอะไรแน่น้อย เพราะมีรอยพวกนั้นมุ่งหน้าต่อไปยังห้วยเสือร้องในรูปคารวานแบบเดิมว่าแต่เราจะทำยังไงกันต่อไปดีสำหรับชา ย, ยันเพื่อนเราที่บังเอิญมาครอร้ายต้องนอนแองแมงอยู่นี่ใจพี่หากไม่ห่วงชา ย, ยันก็อยากจะเดินทางต่อเชิดเดี๋ยวนี้เลยดารินตบแขนเสื้อดูนาฬิกาข้อมือแล้วขยับเข้าไปใกล้เพื่อนชายที่รักสนิทเสมอพี่น้องลักษณะของเขายังนอนสงบนิ่งอยู่ หล่อนจับอัตราเต้นของชีพจรและใช้หูฟังตรวจดูตามทรงอกอย่างระมัดระวังเป็นการตรวจอย่างละเอียดที่สุดอีกครั้งระหว่างนั้นพี่ชายสองคนจ้องมองหล่อนขเขม็และเงียบกริบพอหล่อนงัดเอาเครื่อง ว, วัดความดันโลหิตขึ้นมาขึ้นมาพันที่แขนคนเจ็บเชิาก็กระซิบเบาๆว่าอย่างที่สั่งไว้แล้วนะน้อยความปลอดภัยของชายัน มาก่อนอื่นใดในขณะนี้อย่าพยายามฝืนเข้าไปแอนค่ะถ้าเห็นว่าอาการของเขายังไม่น่าไว้วางใจดารินยังไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นบีบลูกยางให้สายรัดแน่นกระชับเข้าไปและอ่านมาตวัดเชษฐาอนุชาจ้องดูอยู่ใกล้ชิดด้วยความรู้สึกไม่สู้สบายใจนะักแต่แล้วพล่อนคลายสายรัดออกเสียงถามเบาๆเรียบๆดังมาจากคนเจ็บมีอาการเหมือนจะหลับสนิทอยู่ว่าเท่าไหร่น้อยเชษฐากับอนุชามองตากันอย่างงงๆ แยิ้มออกมาได้ดารินเอาปลายนิ้วจับริมฝีปากตนเองแล้วขยี้เบาๆลงไปอย่างหน้าผากของชัยยันร้อยสามสิบขีดร้อยปกติดีทุกอย่างชัยยันเพียงแต่ว่าเธออาจจะง่วงนอนหน่อยเท่านั้นพระยานอนหลับแต่เธอก็นอนพักมาร่วมชั่วโมงแล้วนะเมื่อนั้นอดีตนายทหารปืนใหญ่จึงดึงกายลุกขึ้นนั่งพร้อมกับลืมตาขึ้นบิด ดัดต้นคอไปมาและเอามือแตะบาดแผลที่ปิดพลาสเตอร์ไว้เดินต่อประเดี๋ยวก็หายง่วงเองตอนนี้หายคลื่นไส้หายมึนหัวแล้วชัยยันแกแน่ใจนะลาสกุลสองพี่น้องถามขึ้นพร้อมกันตรวจสีหน้าอาการของเพื่อนขมิงสบายถึงแม้จะไม่มากนะกลัวอะไรหมอดารินอยู่นี่ทั้งคนถ้าฉันเดินไม่ไหวตรงไหนก็ลงนอนมันตรงนั้น ตรวรักษากันต่อไปเท่าที่จะทําได้ไม่เห็นมีอะไรจะต้องกังวลเป็นยังไงได้ร่องรอยชัดแล้วใช่ไหมว่าพวกของระพินเดินผ่านเส้นทางนี้ต่อไปภายหลังภูเขาทล่มลงมาชายยันอันนันไตรเป็นคนง่ายๆเช่นนี้เสมอมาแต่ไหนแต่ไรล่ะไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขาแม้จะมองเห็นความตายอยู่เบื้องหน้าก็ตามใช่เราได้ร่องรอยเพิ่มเติมแล้วว่า ประพินนำพวกนั้นเดินต่อไปตามเส้นทางสายนี้แหละอนุชาเป็นคนตอบทางนั้นจะชักช้าอยู่ทำไมพร้อมพูดชัยยันลุกขึ้นในทันทีมีอาการเซนนิดๆแต่อื่นๆทั่วไปดูจะดีขึ้นกว่าเดิมมากพวกเราออกเดินต่อเธอมีทางจะถึงห้วยเสือร้องก่อนค่ำวันนี้ไม่นี่ประโยคหลังเขาถามอนุชาผู้รู้เส้นทางดีอดีตพรานชดมีสีหน้ากังวลเล็กน้อย เราพยายามจะไปให้ถึงแต่เกรงว่าจะไม่ถึงก่อนค่ำแน่ๆเพราะเสียเวลาไปมากนี่ก็เย็นลงเต็มทีแล้วถ้าจะ ห, กหักโหมกันจริงๆอาจถึงได้ในเวลาสี่ห้าทุ่มแต่การเดินทางภายหลังตะวันตกดินไปแล้วมันเสี่ยงเกินไปไปได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นค่าไหนก็นอนนั่นวันนี้ไม่ถึงพรุ่งนี้ก็ถึงเองชายยันบอกแล้วจัดเตรียมตัวเองทันที คว้าไรเฟิ้นหเวียงเครื่องหลังขึ้นสภายไหลเทศถาอนุชาและดารินก็ยืนพร้อมกันในทันทีเช่นกันโดยเฉพาะอนุชาหันไปตะโกนสั่งพวกลูกหับเตรียมเคลื่อนย้ายและใช้วิทยุบอกความไปยังหนานอินกับขยินเบื้องหน้าว่าพักพวกข้างหลังกำลังจะเดินไปสมทบเดี๋ยวนี้ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นขบวนทั้งหมดก็เดินตามเส้นทางสายใหม่อันกองสูงพูนขึ้นจากซ้อแคบๆเดิมในระหว่างช่องเขา พ้นจากบริเวณแนวบีบขนาบออกมาและเห็นนานอินกับขยินนั่งคอยอยู่ก่อนแล้วที่ริมทางเบื้องหน้าขณะนั้นตะวันเริ่มจมตัวเบียงบังเหลี่ยมขุนเขาลิบๆไปทางด้านตะวันตกมีแต่แสงอัสดงเท่านั้นที่ยังกระจายแดงฉานอยู่อย่างท้องฟ้าที่พอจะมองเห็นโลกเบื้องบนเข้าไม่ถึงห้วยเสือร้องก่อนค่เสช้แล้วละนายเสียงนานอินร้องบอกมา ก่อนที่ทุกคนจะเดินเข้าไปถึงไม่เป็นไรเดินต่อไปเท่าที่จะเดินได้ก็แล้วกันลุงอินแกะรอยนําไปข้างหน้าขยินไปคุมปิดท้ายพรานชดสั่งความในฐานะผู้นําทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามบัญชาของเขาหนานอินออกเดินดุมดุมนำไปเบื้องหน้าด้วยฝีเท้าปกติของแกส่วนขยินนั่งรอจนกระทั่งขบวนนะ่ะผ่านหน้าไปหมดเส้นทางระยะนี้เป็นแนวทางลักษณะเดียว ก, กันกับที่เดินกันมาแล้วบนสันเขา ก่อนที่จะเข้าสู่แนวบีบขนาบของช่องผามฤตยูตรงกลางเป็นถนนหินปนกรวดมีพุ่มพงและวัชพืชเล็กๆงอกอยู่เป็นรายทางตัดลึกลงไปเป็นหุบเหวทั้งสองด้านตื้นบ้างลึกบ้างอนุชาชี้ให้พี่น้องและเพื่อนสังเกตไปยังพวงเนื้อช้างตากแห้งร้อยหวายไว้พวงย่อมๆที่ตากตกอยู่ระหว่างทางและสิ่งของอันไม่สาคัญนั่งที่พวกนั้นเผลอร่วงหล่นลงอยู่แสดงว่าเป็นของ พวกคาราวานกระเรียงตะเคียนทองที่อพยพมาพร้อมด้วยอย่างแน่นอนส่วนก้นบุหรี่และก้นซิกาก็พิสูจน์ชัดว่าเป็นของในจ้างฝ่ายอเมริกันที่เหลือทิ้งไว้ให้พิสูจน์ได้ว่ามีการเดินทางร่วมกันไปเป็นคณะใหญ่โดยไม่แบ่งแยกตรงตามรายงานของนานอินที่บอกไว้ก่อนแล้วในครั้งนี้ดารินปล่อยหน้าที่แกะรอยนาทางให้แก่นานอินและอนุชาโดยตรง ตัวหล่อนเองคอยเดินใกล้ชิดชัยยันสังเกตอาการเขาอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะช่วยเหลือได้ในทันทีจะหาเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับความไม่สมประกอบชั่วขณะของเขาแต่ก็เห็นชัยยันก้าวเดินไปได้อย่างปกติแม้จะไม่คล่องแคล่วปราดเปรียวนักก็ตามไอ้ด้วนไม่ปรากฏตัวรู้เสียงกระดึงผูกคอมันมาให้ได้เห็นหรือได้ยินอีกในระหว่างนี้ซึ่งเป็นที่เข้าใจว่ามันคงจะเตลิดหนีพายุประหลาด ลักษณะเหมือนทอร์นาโดที่เกิดขึ้นเข้าไปหลบซ่อนห่างไกลยอยู่ในหุบแห่งใดแห่งหนึ่งดารินมีกังวลตอมันเหมือนเพื่อนร่วมเดินทางด้วยคนหนึ่งจะเชเถ้าปลอบใจว่าจะโมไปห่วงอะไรกับช้างป่าขนาดไอ้อ้วนไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลงพัดไปไหนหรอกถึงเวลามันก็วกเข้ามาหาเราเองแหละหรือบางทีก็อาจไปด่ากรอคอยเราอยู่ข้างหน้าแล้วห่วงพวกเราในคืนนี้เถอะถ้าเข้าไปถึงห้วยเสยร้องก็เห็นจะต้องระวังตัวกันแจทีเดียว อีกอย่างหนึ่งก็ให้ดูแลอาการของชัยยันไว้ให้ดีด้วยลดหน้ากันไปถ้ำกลางไพรเถื่อนยามใกล้ย่ำสนทนสนธยาซึ่งแสงแห่งทิวาการโรยตัวลงมาตามลำดับอากาศเริ่มจะขมุขมวัวเป็นสีเทามองอะไรไม่สู้จะ ก, กระจ่างชัดนะอนุชาผู้ร่วงหน้านำไปประมาณ30หลามีการวิทยุรายงานมาให้พี่ชายใหญ่และคณะทราบอยู่ตลอดเวลาถึงวี่แววร่องรอยต่าง บรรยากาศเงียบเชียบไม่มีเสียงสิงสัตว์ จ, จตุรบาทหรือแม้แต่นกแววมาให้ได้ยินเลยป่ามันส ง, งบเงียบผิดปกติการระวังภัยไม่น่าหนักใจนะเพราะมองเห็นหนทางเดินโล่งตลอดไปทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป้นแต่จะผ่านแก่งแง่ซอกมุมหินที่บังอยู่เท่านั้นถ้าจะเทียบกับการเดินบุกไปในป่ารกทึบเส้นทางระยะนี้ก็จัดว่าสะดวกสบายกว่ามาก แม้ว่าบางขณะจะต้องโน้มตัวเดินไต่ขึ้นไปเข้าสู่ที่สูงชันเฉียงขึ้นไปและบางขณะก็ต้องประคองตัวให้ดีกันไม่ให้ศีรษะทิ่มหัวเสียหลักวิ่งซุ่นลงไปเมื่อถึงบริเวณที่เทลาดลงต่าและบัดนั่นเองทุกคนที่เดินอยู่เบื้องหลังก็เห็นอนุชาและนานอินไปหยุดรออยู่ยังด่านแยกซ้ายและขวาซึ่งขวางดักอยู่ ลักษณะมีการตรวจพื้นที่ยังถีท่วนมองเห็นในระยะห่างๆซีกซ้ายมือจะนำขึ้นยอดเขาหรือเนินไม่สู้จะสูงนักลูกหนึ่งและซีกขวามือเป็นเส้นทางเดินเรียบเลาะไหลเขาต่อไปในสภาพคดเคี้ยววนเวียนไปมามีอะไรสงสัยหรือเชฐถาถามไปทางวิทยุขณะที่เม้นมองไปยังบุคคลทั้งสองหน่าแปลกมากครับพี่ใหญ่ร่องรอยของขบวนระพินแยกขึ้นเนินทางด้านซ้ายมือนี่เราเรียกกันว่าเนินสักดา แทนที่จะลาะไปตามเส้นทางบ่ายหน้าเขาสู่ห้วยเสือร้องหมายความว่ายังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันกำลังคิดอยู่นี่ตามปกติแล้วถ้าไม่มาหมืดคำ่ำตรงนี้พวกเขาคงจะเดินต่อไปอนุชาบอกมาอย่างงงๆจากตําแหน่งหนทางสองแพร่งนั้นระยะมันอีไกลแค่ไหนกว่าจะถึงห้วยเสือร้องพี่ชายใหญ่ถามต่อมา เดินอีกประมาณ3ามสี่ชั่วโมงก็ควรถึงครับและทาราพินเป็นคนนำทางเขาน่าจะพาเดินต่อไปจนถึงห้วยเสือร้องเลยหากไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคให้ทำให้ต้องชะ ง, งักโดยขึ้นไปอาศัยพักอยู่บนเนินลูกนี้เสียก่อนเชษฐานและทุกคนเร่งฝีเท้าทัานทีแล้วก็มาทันบุคคลทั้งสองที่กำลังยืนตรวจบริเวณกันอยู่อย่างชนิดอ่านเหตุการณ์นานอินแงนมองขึ้นไปยังยอดเนิน อันปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ยืนต้นไม่สู้จะทึบเท่าใดนะบนนั้นไม้ที่ขึ้นอยู่เป็นต้นสัก์ทั้งนั้นแต่เป็นสัก์ที่มีเนื้อไม้สีดำมีรอยของพวกนรารพินขึ้นไปบนนั้นแน่ๆทางซ้ายมือนี้ไม่มีรอยเดินไปของพวกนั้นเลยแต่ถ้าจะไปห้วยเสืยร้องมันจะต้องแล้วดันผ่านขึ้นไปบนเดินสักด์ดำซะก่อนมันก็ไม่ถูกเรื่องเพราะหนทางสบายมีเดินไม่เดินจะไปไต่เขาให้ยากทาไม นานอินพูดเหมือนบ่นกับตนเองทุกอย่างล้วนเป็นปริศนาไปหมดอย่างที่พี่พูดไว้เมื่อตะกี้จะเป็นไปได้ไหมนั่นก็คือระพินพาพวกนั้นมาถึงที่นี่ตอนค่ํามืดไม่อาจเดินทางต่อไปได้ก็เลยไต่ขึ้นเนินไปห า, าที่พักก่อนเพราะบริเวณแถบนี้บนนั้นน่าจะปลอดภัยสําหรับการพักแรมมากที่สุดพี่ชายใหญ่อย่างความเห็นถ้าละพินนําพวกนั้นมาถึงที่นี่ตอนค่ําและจําเป็นจะต้องขึ้นไปพักแรมบนนั้นก่อน อนุชาทวนคําชะชะแต่อย่างไรเสียพอเช้าวันลุ่งขึ้นเขาก็จะต้องกลับลงมาใช้เส้นทางที่เลาะไหลเขาซีา่้ขวานี่อยู่วันยังค่ําแต่นี่เราไม่เห็นวิแววการเดินผ่านเลยนอกจากจะมุ่งขึ้นยอดสักดําทางเดียวเท่านั้นเดี๋ยวสมมุติว่าขึ้นไปบนยอดสักดําที่แกว่านี่แล้วเมื่อต้องการจะออกเดินทางต่อเพื่อมุ่งไปห้วยเสือร้องจะมีหนทางอื่นโดยไม่ต้องย้อนลงมา ผ่านทางซี่ขวามือนี่ได้บ้างไหมล่ะชยันพูดขึ้นเป็นประโยคแรกอนุชาหนิ่งชะ ง, งักไปเพราะเขาเองไม่ชํานาญเส้นทางนักแต่หนานอินตอบขึ้นทันทีถ้าขึ้นไปบนยอดสักดําแล้วจะไปห้วยเสือร้องมันก็มีทางไปได้อีกเหมือนกันแหละนายทหารไม่ต้องย้อนกลับมาทางเดิมแต่ทางเดินมันลําบากหน่อยเท่านั้นปีนแง่หินเลียบเหวกันมากกว่าเส้นทางซี่ขวามือนี่ ขณะนั้นมืดสลัวลงเต็มทีแล้วเข็มนาฬิกาข้อมือของเชษฐาชี้บอก 17.05 นอดีตท่านทูตทหารบกตบหลังน้องชายเบาๆบอกอย่างตัดสินใจว่าพวกเข้าไปทางไหนเราก็ขึ้นไปทางนั้นแหละเพื่อให้เห็นชัดๆว่ามีร่องรอยพักอยู่บนนั้นหรือเปล่าและสำหรับฝ่ายเราขณะนี้มันก็หมดเวลาเดินเสแล้วพวกเราต้องยึดที่พักบนนั้นเหมือนกันสาหรับวันนี้เอาไว้ให้เห็นหลักฐานบนนั้นเะก่อน บางทีมันจะบอกเราได้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาอย่างที่เราได้กันมาแล้วการตัดสินใจของพี่ใหญ่ผู้สุ ข, ขุมรอบครอบกว่าทุกคนถือเป็นข้อยุติอนุชางเงยหน้าขึ้นไปยังยอดเนินลักษณะเหมือนหลังเต่าอันขวางกั้นอยู่เบื้องหน้านั้นทันทีพร้อมกับยกมือขึ้นโบกเป็นสัญญาณช้าช้าทุกคนก็เริ่มเคลื่อนที่ ไต่ทางขึ้นไปอย่างเช่มชาท่ามกลางแสงมัวมนของย่ำสนธยาท่านใดนั้นหนานอินผู้เดินนำอยู่เบื้องหน้าก็หยุดชะ ง, งักกึกลงอย่างกระทันหันอนุชาผู้ตามมาในริยะห่างแค่สองเก้าเมื่อก้มหน้าเดินไม่ทันเห็นจึงชนปะทะเขาโดยแรงร้องอุทานฮื้ยขึ้นเบาๆแล้วจับตัวพรานครูผู้ทอไว้ก่อนที่จะส่วนเสียหลักไปด้วยกันเชษฐาชา ย, ยันและดารินที่จับกลุ่มมาใกล้ ก็พลอยชนกระแทกล้วนเลกันไปมานายดูนั่นเสียงอุทานของหนานอินยังไม่เกินกระซิบทุกคนางา น, นวูบขึ้นไปยังยอดเนินอันเป็นเป้าหมายที่กําลังจะบ่ายหน้ากันขึ้นไปและจังงังตะลึงปรึงเพื่อไปชั่วขณนะจิตเมื่อแลเห็นสิ่งปรากฏชัดกับสายตาโดยแสงขมุขมู่อันพอจะเหลืออยู่บ้างนั้นว่าจะตาฝาดก็ใช่ที่เพราะเห็นพร้อมกันว่าทุกคนแม้กระทั่งลูกหาบซึ่งบัดนี้พากันพังหะหลังกรูดไปอย่างลืมตัว บนแนวเดินอันมองเห็นอยู่ใกล้ๆห่างแค่ไม่เกินหกเจ็ดสิบหลาที่ทุ่งกำลังไต่ทางลาดเทประมาณสามสิบองศาขึ้นไปนั้นบัดนี้เงาอันตะคุ่มลีรลับของอะไรชนิดหนึ่งยืนดักเรียงรายอยู่แถวหน้ากระดานเว้นช่วงห่างกันราวสองสาวาต่อหนึ่งจุดสบพรึบเต็มไปหมดทั้งขอบเนินบริเวณ น, นั้นราวกับทหารมาตั้งแถวคอยดักหน้าอยู่สักหนึ่งกองร้อยเชนั้น ความมัวมนของบรรยากาศใกล้ข้ามแม้จะทำให้ไม่อาจเห็นได้ถนัดในแต่ละล่างในระยะขนาดนี้แต่สายตาทุกแตส่สายตาก็บอกได้ทันทีจากลักษณะที่ยืนสองตีนลําตัวตั้งตรงตลอดจนส่วนสัตว์สันฐานไม่น่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นใดทั้งสิน้นนอกจากสิ่งที่มีรูปร่างเหมือนคนเพียงแต่ว่าแต่ละล่างเหล่านั้นสูงตระงานใหญ่โตยังตําๆก็หกฟุตขึ้นไปทั้งสิน้น มันผุดโผล่ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครทราบคะนาจากระยะเวลาก็ไม่เกินสองสามอึดใจนี่เองเพราะเมื่อคู่นี้มองขึ้นไปก็ยังว่างเปล่าไม่เห็นอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวนี้มันมาปรากฏกายยืนคล้ายจะรอรับอยู่แล้วทุกล่างสงบนิ่งดุดเสาหินที่ปากโพขึ้นมาจากพื้นดินไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆดเลยและไม่มีใครบอกไดว่ามันจะเคลื่อนไหวอย่างใดขึ้นเมื่อไหร่แต่สภาพที่เห็นนี้ ตั้งแถวขวางหน้ากั้นเนินที่มุ่งหน้ากันขึ้นไปเห็นอยู่เป็นแนวราวกับปัวพริบตาแรกที่ทุกคนเงยขึ้นไปพบนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนชาวป่าดอยเผาดุร้ายไม่เป็นมิตรประเภทเดียวกับเผ่าสางเขียวเช่นที่เคยเผชิญมาแล้วในอดีตแต่ลักษณะอาการที่ผิดประหลาดคือปักตัวเองนิ่งสงบดูดทินทุกคนบอกได้ทันทีว่านั่น หาใช่มนุษย์ปุตชนไห่แม้ว่ามันจะมีรูปร่างเหมือนมนุษย์ก็ตามฝ่ายหนึ่งกำลังไตเนินขึ้นไปอีกฝ่ายหนึ่งโผล่ขึ้นมาเรียงแถวหน้ากระดานดับอยู่อย่างชิ้นนี่ไม่ปลดอกาศให้ล่วงรู้ล่วงหน้ามาก่อนเลยแต่ในสภาพที่ไม่ใช่มิดซึ่งจะเชื้อเชิญต้อนรับแน่ปริมาณของมันก็มากซะจนสุดที่จะนับได้ในการตะลึงและอย่างผัดผ่าแบบเยวูบขึ้นเห็นอย่างปัจจุบันทันด่วนมันทาให้แทบช็อกเชิดฐา มือซ้ายคว้าต้นแขนชายยันไว้มือขวาจับแขนน้องสาวเหมือนจะบังคับให้ทั้งสองสงบนิ่งอยู่กับที่สติของเขาขณะนี้หวนกลับมายัางรวดเร็วและมั่นคงที่สุดส่วนเบื้องหน้าน้องชายกลางกับครูพรานก็ยืนปักหลักนิ่งห่างขึ้นไปแค่2อก้าวเท่านั้นทั้งชุดอยู่แลกษณะรวมกลุ่มเกาะหมู่กันอยู่ไม่ต้องไปให้ถึงสุสานนิทรานครหรอกเขาแห่กันออกมารอเราอยู่ที่นี่แล้วพี่ใหญ่ของคณะ ผ่านประโยคน่นอาออกมาจากริมฝีปากขยับซึ่งดังไม่เกินกระซิบทุกคนเห็นเหมือนอย่างที่ผมกับลุงอิงเห็นใช่ไหมครับเสียงแหบต่ำของอนุชาดังขึ้นเบาๆโดยไม่ได้หันกลับมายัางพักพวกเลยนอกจากจ้องพิจารณาอยู่เช่นนั้นทีแรกฉันว่าตาคงฝาดไปแต่นี่ไม่ใช่ตาฝาดใช่แล้วเอายังไงกันดีลักษณะมันดูท่าจะขวางทางไม่ยอมให้เราขึ้นไปบนนั้นจากการที่มายืนเรียงดาหน้าอยู่แบบนี้ ไอตัวพวกนี้แหละท่นสาบานได้ว่าเคยเห็นมาแล้วนับไม่ทวนพร้อมกับเมในสุสานใต้ภูเขาที่เข้าไปติดอยู่ในคราวนั้นให้ตายเถอะนี่มันยกกันมาเป็นกองพันเลยทุกร่างบนนั้นยังคงยืนนิ่งอยู่ในสภาพเดิมด่านร่างลงไปพวกลูกหาวที่กําลังรบนเรกันอยู่หยุดรวมตัวกันได้แล้วเพราะขยินซึ่งตามปกติแล้วเป็นคนขลาดในเรื่องผีที่สุดแต่บัดนี้มันร่วมกลุ่มอยู่กับเ ฝ, ฝ้าฝ่ายนายจ๊ะเจ้านายมีสติและประสาทมั่นคงกันทุกหมดทุกคน พลอยทําให้มันเกิดตามเชื่อมั่นและกล้าหาญผิดไปจากเดิมชนิดหน้ามือเป็นหลังมือทําหน้าที่สกัดกั้นตอนลูกหาให้รวมหมู่กันไว้โดยไม่ให้ใครเพ่นเตลิดลงไปเสียก่อนพร้อมกันร้องบอกขึ้นไปด้วยเสียงห้าวของมันว่าไม่ต้องห่วงทางด้านนี้นะ น, นายเอาไงเอากันขยินไกน่พวกนี้พร้อมเสมอและอยู่ใกล้ๆนี่เองไม่ได้เพ่นไปไหนนานอินยกมือขึ้นขยี้ตาแล้วเบิกโครงจ้องดูอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจที่สุดพึมพำ อ, ออกมาว่า พวกมันมากแล้วเกินถ้าจะรุมบอนถึงตัวกันขึ้นเมื่อไหร่เราลําบากแน่ถ้าทางมันดูจะต้องต้องการกั้นไม่ให้เราขึ้นไปบนนั้นเท่านั้นจะถอยหรือจะเดินหน้าขึ้นไปนานอินขอให้ในายใหญ่สั่งเลือกเอาสักอย่างพอ ร, ระยะ ย, ยังห่างพอที่เราจะขยับขยายได้ลุงอินว่ายังไงละ่ะเชิดถายอย่างความเห็นถ้าจะให้บุกขึ้นนานอินบุกขึ้นได้แต่คนอื่นนานอินไม่กล้ารับรองเพราะลูกปืนเราคงหยุดมันไม่ได้แน่ ถ้าถอยเราจะพักหลบอยู่ที่ไหนเพราะชายภูมิข้างล่างไม่อำนวยเลยหากมันยกขบวนเดินตามลงมาแต่ถ้าขึ้นไปก็อาจกลายเป็นศึกใหญ่ตลุมบอลประชิด ต, ตัวเหมือนสมัยที่เราประจัญกับพวกมันมาแล้วที่ปราสาทพันธุ์ทุมวดีครั้งนั้นคนที่ตายแล้วเป็นหมื่นมื่นปีเราไม่สามารถจะฆ่ามันให้ตายซ้าลงได้อีกด้วยอาวุธธรรมดาสามมันของเรา พี่ชายใหญ่ของคณะกล่าวแผ่วเบาประสาทเขม็งเกลียวเครียดแทบระเบิดประเดี๋ยวก็รู้ครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับพวกเราในรูปไหนสำหรับตอนผมตอนนี้ขอล่อมันด้วยเอ็มจุดเจ็ดเก้าดูก่อนอนุชาคำรามออกมาแล้วก็ร้องตะโกนบอกขยินลงไปเพื่อให้นำเครื่องยิงระเบิดซึ่งตลอดระยะเวลาเดินทางของวันนี้ได้ให้พวกลูกหาบนออกมาเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาแล้วในหอสัมภาระส่วนกลาง พอเคยินนำขึ้นมาให้อย่างเร่งด่วนอดีตพรานชดก็บิดหางเหยียวหักลำกล้องลงบรรจุกระสุนที่แท้ซึ่งแท้ที่จริงก็คือระเบิดสังหารขนาด40ม ม, มลงไปในรังเพลิงแต่ขณะนั้นเองพรานเท่าคู่ใจก็จับข้อมือไว้ยาเปลืองลูกปืนเปล่าในชดถ้าเป็นคนหรือสัตว์ธรรมดาก็พอจะรู้ดำรู้แดงอยู่บ้างหรอกแต่ศพตายซากมันไม่เจ็บไม่ตายซ้ำอีกแรงระเบิดอาจทาให สอสามตัวขาดวิ่งถ้าโดนอย่างจังแล้วมันก็จะลุกขึ้นมาได้อีกส่วนไอ้ตัวอื่นที่เหลือก็จะพากันยกเขยงเดินทื่อลงมาทางด้านหลังเราลงไปนี่เป็นทางคับขันมีเหวเต็มไปหมดถ้าวิ่งลงก็มีหวังตกเหวกันบ้างแน่ๆอนุชาช ง, งักแล้วลุงจะให้ทํำยังไงกับพวกมันจืนประจันหน้ากันอยู่แค่นี้เองแล้วมันก็มืดลงทุกทีแล้วคําพูดโต้ตอบปรึกษาหัลือกันเหล่านี้ ไม่จะรีบดวนชาวพันเช่นไรมันก็ใช้เวลาไม่น้อยกว่าสองสานาทีระหว่างที่หยุดยืนชะ ง, งักกันอยู่เจ้าอาหมนุษย์บริวารของมั่นตรเหล่านั้นยังไม่มีท่าทีอย่างอื่นใดมากไปกว่ายืนตะ ง, งานเป็นหลักกลัวขวางกั้นหน้าไว้เหมือนแรกที่เงยขึ้นไปพบแสดงอาการชัดเป็นสองในคือมันจะไม่เคลื่อนลงมาหาฝ่ายคณะเดินทางเท่าๆกับที่ไม่ยอมถอนกําลังออกไปจากขอบเนินตําแหน่งที่จะผ่านขึ้นนั้นเป็นการประกาศลองดี ลองของกันอย่างแจ่มชัดขอให้นานอินลองดูอีกสักครั้งแต่ก็ไม่รับรองว่าครูบาอาจารย์ของนานอินที่สั่งสอนครอบวิชาให้มาจะสู้รทเดทมันได้หรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่พวกปีศาจราชปีศาจราช ด, ดีลหาธรรมดาทั่วๆไปครูพรานผู้เท่าบอกกับทุกคนแล้วจบไลรเฟิลนประจำตัวแกขึ้นเหนือศีรษะ โอมอ่านรายอาคมเท่าที่แกจะมีอยู่ในตัวชั่วอึดใจเดียวก็ชูปากกระบอกไรเฟิลจุดสเจห้าแม็กคู่คู่มือขึ้นท้องฟ้าและแตะไกลลั่นบึ้มขึ้นอีกครั้งเหมือนตอนที่แก ย, ยิงขึ้นฟ้าขณะที่เกิดลมประหลาดหมุนตัวลงมาเป็นลมงวงช้างเล่นงานคณะทั้งหมดระหว่างที่อยู่ในช่องแคบของหน้าผากำปนาดของไรเฟิลขนาดหนักก้องกระหึ่มไปทั้งเนิน เป็นครื่นเสียงเหมือนฟ้าร้องแววไปไกลฟังดูผิดไปจากเสียงกระสุนระเบิดธรรมดาแล้วแกก็ยืนหน้าซี่ตัวแข็งกลางวานเสียงปืนหมดไปแล้วไอ้พวกผีดิบเปล่านั้นยังคงยืนอยู่ในตำแหน่งเดิมของมอนดยไม่มีการสะดุ้งสะเทือนขยับขยื่นใดๆทั้งสิน้นอาคมของนานอินคมมันไม่หลงแกอุทานอมนเรวหรือถ้าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาพูดปีศาจยักษ์มารธรรมดา ป่านนี้แผนกระจายไปหมดแล้วแต่นี่มันไม่ขยับขยื่นเลยนายใหญ่จะสักการยังไงก็สั่งเถอะลาพังนานอินเอามันไม่อยู่แล้วน้ําเสียงนั้นของแกเต็มไปด้วยอาการละล่ำละลักบัตรนั้นเองชายยันก็กล้าพูดขึ้นมาชิดอนุชากระชากเอ็มจุดเจ็ดก้าจากมือไปทันทีหักลํากลับคืนเข้าที่ปลดเซฟและยกขึ้นประทับลายโดยไม่พูดคําใดทั้งสิ้นและก่อนที่ใครจะทัดทานอย่างไรอดีตในฐานะปืนใหญ่ล่องออกมาหนักๆว่า ทุกคนนั่งลงเตรียมโหลสเก็ตทั้งหมดใจหายว่ามเห็นอาการของชัยยันเช่นนั้นตกใจเรื่องไอ้ผีดิบยกคนมายืนเลียงขวางหน้าอยู่พอดูแล้วนึกมาตกใจกับการตัดสินใจยังชาวพลันของชัยยันก็อีกร ะ, ระยะระหว่างกลมอามนุษย์หล่านั้นกับฝ่ายของพวกตนแม้จะดูว่าห่างในด้านทางหนีทีไล่พอสมควรก็ตามแต่มันไม่ห่างออกไปเลยสาหรับรัศมีสเก็ตของระเบิดขนาด40มม ทุกคนย่อนตัวหวบลงทันทีชัยยันก็ลั่นไกลในฉับพลันเหมือนกันเสียงเปาะแล้วก็คลื่นสนั่นวันไหวราวกับฟ้าผ่าติดตามมาเขายิงในแนวตรงเข้าไปยังกลุ่มที่ยืนเรียงดักอยู่เบื้องหน้านั้นโดยตั้งศูนย์ไว้ในระดับแนวราบไม่ต้องให้วิถีกระสุนย่อนโค้งลงเลยเนื่องจากระยะไม่ไกลนะักประกายไฟแลบสว่างแดงฉานพร้อมกับเศษหินเศษ ด, ดินกระจุยฟุ้งว่อนขึ้น แผ่นดินที่ทุกคนลดตัวลงไปหมอบไว้สะเทือนเยือกม่านควันสีเทาจางลงภาพที่เห็นสองสามตนของไอ้ผีดิบหมื่นปีที่อยู่ในรัศมีใกล้เคียงกับที่ระเบิดพุ่งตรงไปกระทบระเบิดกระเด็นพังหะละเนระนาดไปคนละทางพร้อมกับล้มฟาดลงเหมือนไม้ท่อนเห็นแล้วก็ดูศักดิ์สิทธิ์ดีอยู่หรอกแต่สิ่งที่ติดตามมาทาให้ทุกคนต้องเพนขึ้นมาอย่างชนิดละล้าละ ล, ะละังถ้าจะทาอะไรไม่ถูก เสียงหนานอินโวยสุดเสียงวันนั่นพวกมันแหกกันลงมาแล้วยิงอย่างที่หนานอินโวยวายทุกอย่างไอ้ที่กระเด็นล้มไปเป็นจะเพียงส่วนน้อยจะส่วนใหญ่ที่ยืนปักหลักนิ่งบัดนี้เริ่มเคลื่อนไหวเดินทื่อลงมาแล้วแม้จะเป็นการเคลื่อนลงอย่างช้าๆก็ตามมันหมายถึงเคลื่อนพลประดังใบหน้าเข้าใส่กลุ่ ม, มนุษย์นั่นเองไรเฟิลและลูกซองทุกกระบอกปลุกยกขึ้นประทับไหล จับจ้องไปยังซากที่เดินได้เหล่านั้นในพริบตาในขณะที่ชัยยันหักลำกล้องเดดปลอกเอ็ม79ที่ยิงแล้วก็เดนบื้อออกบรรจุนัดใหม่เข้าไปแทนที่ก่อนที่ปืนทุกกระบอกจะแผละงมขึ้นเชษฐาก็ร้องห้ามเสียงเท่าที่มีอยู่ยุติใครอย่าเพิ่งยิงเป็นอันขาดมันเดินถื่อใกล้เข้ามาทุกทีแล้วพี่ใหญ่ดาลินขณะนี้เต้นเราแทบจะคุมสติไว้ไม่ได้ พี่ชายใหญ่ก็ปราดเข้าประชิด ต, ตัวไว้จับแขนแน่นพูดเร็วปรือน้อยควบคุมสติไว้ให้ดีพระมหาคาถาชินบัญชร น, น้อยท่องได้หมดหรือเปล่าจำได้ทุกวัดทุกตอนไหมหล่อนพยักหน้ากล่ำกลืนอะไรบางสิ่งบางอย่างลงลำคอหน้าซี่เผือดอย่างควันเสียแต่ก็พยายามข่มบังคับให้สติกลับคืนมาโดยเร็วเพราะฝ่ามือดังๆของพี่ชายใหญ่ตบโครงลงมากลางหลัง พร้อมตะโกนกรอกหูลั่นท่องภาวานาไว้ตั้งแต่ต้นจนจบยาให้ขาตกบกพร่องไปเลยไม่แต่วักเดียวภาวานาเร็วเข้าตั้งสติให้มั่นไม่มีใครท่องพระมหาคาถาบทนี้ได้ครบบทหมดทุกวักเท่าน้อยพี่เองจะช่วยอีกแรงหนึ่งอันเชิญหลวงพ่อทวดด้วยทุกคนอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นไม่ต้องยิงปืนประโยคหลังพอลองสั่งไปยัง พ, พวกทั้งหมดทุกคนกลั้นใจประทับปืนคะ่ะใจสั่นระทึกไม่แต่อนุชาเล่นหนานอินเอง ปันนี้ก็แทบจะใส่ตีนสุนาโกยแนบลงมาจากเนินดารินสุขสุดตัวลงคุกเข่า ว, วางปืนลงมือทั้งสองพนมขึ้นเหนือซวงอกชยาจนากะตาพุทธาเพียงประโยคแรกที่หล่อนภาวนาอยู่ในใจเท่านั้นบรรดารหล่าอสุรกายหมื่นปีก็ปรากฏกายเคลื่อนไหวตรงทื่อลงมาไดรดกิตยามนมหาอุบาทของจอมผีดิบมันไตรก็หยุดชะงักกึกลงอย่างปัจจุบันทันด่วน ทันทีราวกับตุกตากรนที่หมดลานหรือหมดกระแสขึ้นวิทยุบังคับโดยกระทันหันเห็นประจักษ์ชัดกับทุกสายตาที่เบิกแทบจะถลนด้วยความหวาดกลัวอยู่ในขณะนี้เชษฐาเองก็ลงคุกเข่าพนมมือภาวนาอะไรของเขาอยู่เช่นกันเชตวามารังตวาหานังวรที่สองไอ้ผีดิบเริ่มเคลื่อนอีกครั้งแต่คราวนี้ก้าวขาเดินถอยหลังขึ้นเนิน ครั้งแรกก็เป็นการถอยช้าๆก่อนแต่แล้วเมื่อหล่อนภาวนาต่อไปพวกมันก็เริ่มถอยเร็วขึ้นเป็นลําดับแล้วแล้วก็กลายเป็นเพนกระจุงกระเจิงอย่างตรีตารางเสียงพักพวกที่สงบนิ่งอยู่เคลื่อนไหวตัวแต่เชษฐาร้องห้ามเบาๆให้ทุกคนสงบนิ่งอยู่ในอาการเดิมและสั่งดารินให้ภาวนาต่อไปจนกว่าจะจบบทของพระมหามงคลคาถาอันยาวเหยียดนั้นท่ามกลางการเพนอย่างล้นลานของ ลาวเอามนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่ดูแลอัศจรรย์ยิ่งในสายตาของพวกลูกหาพยินหรือแม้แต่นานอินเองซึ่งรำเรียนมาในทางสยเวทเดียรฉานวิชามากกว่าทางพุทธคุณดารินสำรวมสมาธิตนเองแนวนิ่งอยู่เหมือนเดิมจิตเพ่งและลึกถึงอัตคาถาเป็นความบารีนั้นมาจนถึงหัวข้อที่สิบสองอากาเส ชะทะนังอาสิเสสาปาการะสันธิตาชินานาน า, นาวรสังยุตาตาสัตตปปการะลังกตาเพดานกั้นมานอากาศให้ปราดกเกษมสารอีกให้เป็นปราการกำแพงแก้วกำจัดภัยทวารบดกรดเจ็ดชั้น ดำรงมั่นเดโชชัยพระชินราชประสาทให้เป็นเกราะใหญ่คุ้มครองตนด้วยเดชพระชินสีเรืองฤทธิ์มหิทธิโดนขจัดภัยทุกแห่งหนทั้งอุบัติอุปัตตวาครบหมดสิน้นจนถึงบทสุดท้ายอันมีข้อความว่าสังคานุภาเวนะชิตันตราโย ο, สัตถมานุภาวะปาริโตจะมาริชินาปัญชเรติบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างสงบราบคาบลงเหมือนเดิมไม่มีวี่แววหลงเหลืออยู่อีกเลยว่าเมื่อไม่เกินห้ถึงหนาทีที่แล้วมาคณะทั้งหมดกําลังเผชิญหน้าอยู่กับกองทัพไอ้ผีตายซ่าของมันไตรที่กําลังเคลื่อนพลลงจากเนินเข้าหายอย่างน่าวาสยองที่สุด แม้แต่อีซาก3ามสี่ตัวที่ล้มระเนระนาดอยู่ด้วยอํานาจของปืนเอ็มเจ็ด้าที่ใช้ ย, ยันตัดขึ้นไปบัดนี้ก็ยังตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาอย่างลนลานกระสรือกระสนคลานพลาล่างอันขาดลุ่งลิ่งนี้ลับหายไปจากสายตาของฝ่ายที่ติดอยู่กลางเนินจนหมดสิน้นทุกคนจุดใต้ถือไว้ในมือคนละอันแล้วเดินขึ้นเดี๋ยวนี้เชิฐาตะโกนขึ้นสนั่นวันไว้ด้วยน้ําเสียงอันหนักแน่นมั่นคงที่สุด ตบไหลน้องสาวที่นั่งคุกเข่าพนมมืออยู่ให้ยืนขึ้นแขนข้างหนึ่งโอบ ก, กอดไว้แน่นอีกข้างหนึ่งโบกเป็นสัญญาณกับพักพวกให้บุกลุยขึ้นไปยึดเนินสักดำทันทีเสียงโหร้องกันแท่อึงขนนึงขึ้นไปในหมู่บรรดาลูกหาบทั้งหลายทุกคนกระโดดโลดเต้นด้วยความยินดีปรีดาขีดสุดเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ โดยคำสั่งของเชศฐาใต้ถูกนำออกมาแจกกายกันครบมือทุกคนทันทีและจุดติดลุกเป็นเปลวขึ้นเหมือนครบเพลิงเพราะถึงแม้ว่าไอ้ผีตายซากพวกนั้นจะพากันเพ่นขึ้นเนินรับสายตาไปแล้วก็ตามอย่างน้อยที่สุดประกายไฟหรือพระเพลิงก็ย่อมจะศักดิ์สิทธิ์มีอนุภาพเสมอไม่ว่าจะสัตว์โลกหรือแม้แต่สัตว์ในอบายภูมิทุกชนิดการที่ทุกคนมีติดตัวมีใต้ติตด เปลวไฟไว้ในมือย่อมจะเป็นหลักประกันได้อีกข้อหนึ่งถ้าหากว่าพวกมันจะแอบซุ่มอยู่ตามหมู่โขดหินบนเนินแห่งนั้นเื่อคอยบุกเข้ามาประชิดตัวในระยะใกล้ซึ่งในกรณีดังกล่าวเปลวไฟที่ลูกโทษอยู่กับท่อนใต้ก็ย่อมจะแย่ลนให้มันพงเงาไปได้อนุชาและนานอินนำขึ้นไปก่อนตามเคยชัยยันเชิาและดาลินเดินเกาะหมู่ตามขึ้นไปชา้าชา ด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกชายยานนั้นพุมพรอมอยู่ตลอดเวลาละประหลาดประหลาดที่สุดพร้อมกับจ้องมองหน้าดารินซึ่งหลองเองหลอนเองก็ตกอยู่ในภาวะเดียวกับเขาแม้สิ่งที่เกิดขึ้นจะปรากฏชัดอยู่กับตาทว่าตัวเองก็ไม่ไหวที่จะพิศวงง ง, งวยเชิดาคนเดียวเท่านั้นที่ยิ้มออกมาได้อย่างเต็มไปได้วยความเชื่อมั่นและปิติใจในชัยชนะที่มองเห็นอย่างเด่นชัดเป็นครั้งแรกในการประจันหน้ากับ มนมืดอันเต็มไปด้วยอิทธิฤทธ์ร้ายซึ่งเกิดขึ้นด้วยอาถรรพ์เวทของอามนุษย์มันไตรระหว่างที่เดินขึ้นไปด้วยกันพระโอบแขนกอดน้องไว้แน่นป่าก็ตอบข้อพิสวง์ของชัยยันว่าก็ไม่ประหลาดอะไรลอกชัยยันต่อไปนี้ขอให้เชื่อเถอะว่าต่อให้พวกมันมีฤทธิ์เดชสักแค่ไหนก็ยากนักที่จะทำอะไรเราได้พระมหาคถาชินบัญชรสกัดกั้นกำราบมันได้ มันตรายไม่ได้มีฤทธิ์วิเศษเหนือไปกว่าพระอาหารหันต์แปดสิบพระองค์ที่น้อยสวดภาวนาอันเชิญลงมาเป็นตะขายเพชรคุ้มครองปกป้องพวกเราไว้แล้วก็มีสภาพเหมือนไฟกรดขับไล่พวกมันให้ต้องแผลให้ต้องเพนกระเจิงไปได้หรอกขอบคุณสวรรค์ที่น้อยจำอัตคัถาอันยิ่งใหญ่ครอบจักรวาลบทยาวเหเอียดนี้ได้น้อยเองก็คิดไปไม่ถึงเลยค่ะว่าคัถาบทนี้ จะทำให้พวกมันที่แหกกันลงมาเป็นกองทับเพนนี้กันไปหมดดารินพูดด้วยพูดด้วยเสียงที่ยังสั่นอยู่ด้วยความตื่นเต้นน้อยมีของดีวิเศษเป็นสิ่งมหามงคลอยู่กับตัวแล้วแต่บางขณะก็ลืมไม่รู้จักนำขึ้นมาใชา้พระโมเต็ตะลึงตกใจอยู่เชษฐาก่าปลหัวเราะอย่างปลอบใจที่รู้ว่า สารพัดวิชาประดามีอยู่ในตัวของระพินเขาถ่ายทอดให้แก่น้อยไว้ทั้งหมดในการเดินป่าครุกครีระจนภัยอยู่ด้วยกันในครั้งนั้นเมื่อมีครูหรืออาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นแหละเมื่อใดก็ตามที่ภัยจะมาถึงตัวก็ให้คิดถึงครูสิแล้วก็จะนึกได้เองว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างไรควรจะแก้ไขเช่นไรกับพี่ชายยันและคนอื่นๆระพิน์ไม่เคยถ่ายทอดอะไรไว้ให้เลยในเรื่องเวทมนต์คาถาแก้มนมายามืดแบบนี้ สอนให้แต่เฉพาะวิชาเดินป่าอย่างเดียวเท่านั้นแต่สำหรับน้อยเขาครอบไว้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่หรือประโยคหลังเหมือนจะเป็นการย้อนถามน้องสาวดารินกัดลิมฟีปากทบทวนเหตุการณ์แนดีระหว่างที่หล่อนกับจอมพรานผู้นั้นเขาก็สอนอะไรต่ออะไรน้อยไว้หลายอย่างค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาถาอาคมและบทสวดมนต์แต่น้อยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะถ่ายทอดให้น้อยไว้หมดทุกอย่างหรือเปล่า สำหรับมหาคาถาชินนบัญชรเขาเคยกำชับไว้นักหนาให้สวดภาวนาเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่น้อยจำได้ก็เพราะเห็นว่าเป็นคาถาบทที่ยาวที่สุดท้าทายต่อความพยายามมากก็เลยหมั่นท่องจนคล่องขึ้นใจแล้วก็ไม่ได้ช้าอีกเลยเวลาจะนอนก็ไม่เคยสวดภาวนาอย่างที่เขาสั่งไว้เพราะมีความรู้สึกขัดแย้งว่าตัวเขาเองเป็นพรานป่า ค่าสัตตดชีวิตมามากจะมาสอนบทสวดมนต์ให้น้อยมันก็ดูกอะไรอยู่ที่ท่องจนจําก็เพื่อจะเอาชนะเขาเท่านั้นว่าหากจําเป็นจริงๆน้อยก็ท่องบทสวดมนต์นี้ได้เหมือนกันสารภาพตามตรงว่าครั้งแรกลืมไปหมดคิดอะไรไม่ออกเลยขณะที่เห็นไอ้ผีนรกพวกนั้นพากันเดินลงมาแต่พอพี่ใหญ่เตือนขึ้นเถอะน้นน้อยจึงสํารวมจิตภาวนาไม่นึกเลยว่าอํานาจของพระมหาคาถาบทนี้ จะเป็นเกราะคุ้มภัยที่ประเสริฐสุดทพ่ยงเพียงนี้มหัศจรรย์จริงๆอย่างชัยยันว่านั่นแหละนี่มันพิสูจน์ชัดแล้วน้อยว่าครูพรานของเธอมือเหนือชั้นกว่าครูพรานของนานอินเสอีกชัยยันบอกอย่างยินดีลายนั้นนะ่ะเก่งแต่ทางคถาอาคมกับเดรชานวิชาเท่านั้นทางด้านอํานาจพระพุทธคุณและแกไม่ได้ความเอาเลย และลำพังอาคมกับเดรชาวิชานะมันไปต่อต้านกับกริตยามนมหาอุบาทของมันไกลไม่ได้หรอกลำพังเธอคงปลอดภัยแน่นอนและเพราะท่องชินบัญชรได้หมดแต่พวกฉันสิท่องกันไม่ได้เลยถ้าอยู่ห่างจากเธอหรือมีการต้องพราชพ ร, รากแตกแยกกันออกไปเมื่ อ, อไหร่ถูกมันจะจูเขาเล่นงานคงแย่ทีเดียวไม่เป็นไรถ้าเธอหรือพวกเราคนใดต้องการ ประเดี๋ยวขึ้นไปพักบนนั้นแล้วฉันจะจดให้แล้วก็พยายามท่องให้จำกันไว้แล้วกันแต่บอกก่อนยาวมากนะตั้งสิบหกบทสิบแปดวร์เป็นบาลีล้วนๆจะสิบหกบทสิบแปดหกสิบแปดวร์หรือกี่บทกี่ร้อยวร์ก็เอาทั้งนั้นแหละตอนนี้นอกจากกระสุนปืนและพวกเราต้องพึ่งพระพุทธคุณอรหันต์เจ้าด้วยแล้วไม่งั้นมันเอาเราตายชัยยันว่า อนุชาและหนานอินเหยียบขึ้นยอดเนินแกวงใต้อยู่ไปมาพร้อมทั้งใช้ไฟฉายเดินป่าส่องไปรอบๆพบว่าที่เป็นที่โปร่งโล่งและชัยภปูงเหมาะอย่างยิ่งช่วงไม่กี่อึดใจเชษดถาชัยยันดารินและพวกลูกหาบทั้งหมดก็ตามกันมาถึงขึ้นมาโดยพร้อมพเพรียงไม่มีวี่แววว่าไอ้พวกผีดิบจากสุสานนิทรรนครตนใดจะปรากฏให้เห็นเลยแม้แต่ตนเดียว แสดงว่ามันพระจากบริเวณยอดเนินนั้นไปหมดแล้วอย่างตลีตลานและไม่น่าจะเหลือซุ่มซ่อนอยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อคิดร้ายได้ใดอีกอย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่งอากาศบนนั้นเริ่มจะมืดสนิทลงแล้วห่างแค่สองสัปาก็เป็นเงาตะคุ่มไปหมดแต่ใต้ที่ตุดที่ติดไฟลุกพราวอยู่ทั้งสิบหกอันประกอบด้วยลำไฟฉายที่ช่วยกันส่องกราดาสำรวจ ทำให้อนาบริเวณรอบด้านปราสาทแงแงมุมใดที่ลี้ลับว่ายังไงลุงอินคิดว่ามันจะแอบแอบซ่อนซ่อนดักเล่นงานเราบนยอดเนินนี้ได้อีกบ้างไหมชัยยันถามพรานครูพรูเท่าแก่กราดไฟชายไปทางด้านเหนือของเนินที่เต็มไปด้วยต้นสักใหญ่หัวล่อหึหึนานอินเห็นพวกมันเพ่นกันยังกระถูกไฟลวกไม่รู้จะ อ, อะไรดีของนายหญิงท่าถึงเล่นกัน ถึงแล่นกันป่าแตกไปอย่างนั้นรับรองว่าไม่มีเหลืออยู่ให้เห็นอีกหรอกแม้แต่ไอ้สองสามตัวที่นายทหารยิงด้วยระเบิดตัวขาดลุ่งลิ่งก็ตะกายหนีไปด้วยแล้แกก็หันมาทางดารินมองอย่างเลื่อมใสบอกอ่อ ย, ออยว่านายญิงเก่งกว่านานอินซะอีกนานอินแทบไม่เชื่อตาราชสกุลสาวถอนใจยาวบัดนี้หล่อนรู้สึกปลอดโปรง่งมีกาลังใจขวัญดีขึ้นอีกมาก ฉันไม่ได้เก่งไปกว่าลุงอินหรอกแต่บังเอิญฉันมีของประเสริฐที่ครูของฉันให้ไว้แกทำหน้า ง, งงเพราะคิดไปไม่ถึงนายหญิงเป็นคนสมัยใหม่เป็นหมอครูของนายหญิงเป็นฝลังหัวแดงมันมีวิชาอาคมขับผีด้วยเลอะหล่อนหัวเราะครูฉันมีอยู่หลายประเภทสุดจะวิชาที่จะเรียนถ้าเรียนเป็นหมอก็พวกฝลังหัวแดงเป็นครู แต่ถ้าเรียนเป็นพรานปลาท่องไพรยอยู่แบบนี้ก็ครูหัวดำคล่าคาถาอาคมเหมือนลุงอินนั่นแหละผิดกันแต่เพียงเขาเป็นคนหนุ่มเท่านั้นไม่ได้แก่เหมือนลุงฮะนายละพินละสิแก่ร้องออกมาก็จะใครเสอีกละ่ะไม่งั้นฉันจะกล้ามาตามเขาหรือหลอนบอกอย่างมั่นใจยิ่งนานยินนา น, น, านินกับพริบตาปริบๆดูแ ก, ก ง, งงอยู่ไม่ใช่น้อย ทาลายนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงแกบอกด้วยเสียงอุบอิบไม่เก่งจริงไม่พาพวกเจ้านายไปตามเอาตัวพรานชุ่พรานชดก็หนานอินกลับออกมาได้หรอกแต่หนานอินนึกว่าแกสอนแค่วิธีเดินป่าวิธียิงสัตว์ให้นายหญิงเท่านั้นไม่นึกว่าจะครอบให้ทุกอย่างแม้แต่สายเวทคาถาอาคมทนนายหญิงถ่ายทอดรับไว้ได้ทั้งหมดหนานอินก็จะสบายใจอีกมากทีเดียว นานอินยอมรับวันสู้นายรพินไม่ได้หรอกแกเก่งทั้งวิชาของโลกที่สว่างแล้วและวิชาของโลกที่ยังมืดอยู่วิชาทั้งสองแบบนี้มันยากที่จะมีอยู่ได้ในคนคนเดียวกันถ้า ง, งั้นลุงอินก็สบายใจได้แล้วทิ้งฉันจะถ่ายทอดจากเข้ามาได้ไม่ถึงครึง่งแต่ถ้าเอามารวมกับของลุงอินกับพรานชดมีอยู่เราก็พอจะหอบพิ้วกันไปได้รอดไม่เข้าตาจนหรอก ลุงสำรวจค้นหาที่พักของพวกเขาเถอะฉันคิดว่าคงอยู่แถวแถวนี้แหละนานอินไม่กล่าวอะไรอีกออกก้าวนำไปยังบริเวณใต้ศักใหญ่ต้นหนึ่งทางด้านเหนือของเนินบริเวณนะั้นอันเป็นตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดมีโขดหินขึ้นอยู่เป็นแนวล้อมรอบรอกับมีใครมาประดับไว้ทุกคนเคลื่อนตามหลังแกไปด้วย หลักฐานพบตรงบริเวณที่ลาบโร่งโคลนต้นสักบอกชัดมีรอยปักเสาขึงกระโจมรอยก่อกองไยไว้หลายกองและเศษเครื่องกระป๋องที่กองรวงรวมแอบซ่อนกันอยู่หลังหินก้อนหนึง่งชัดแจ๋วเลยพวกนั้นมาพักแรมคืนกันอยู่บนยอดสักดำตรงนี้เองอนุชาอุทานออกมาภายหลังจากตรวจบริเวณข้างเคียงรอบด้านเพื่อความแน่ใจอีกครั้งว่า มันควรจะเป็นชัยภูมิที่ดีที่สุดแล้วเชษดถาก็ออกคำสั่งให้โปรงของยึดตำแหน่งพักที่เดียวกับคณะซึ่งร่วงหน้ามาก่อนแล้วเศษฟืนที่พราเกอาอกจากกันนำเข้ามาสมเข้าไปใหม่ประกอบกับไม้แห้งบริเวณนั้นมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องไปหาที่ไหนให้ไกลเหนื่อยแรงจึงชั่วครู่เดียวกองไฟก็ถูกก่อขึ้นวางแคมป์ทันทีเชษฐาสั่งให้ขยินและพวกลูกหา เขามานอนรวมกันอยู่ภายในวงล้อมของกองไฟที่ก่อไว้ทั้งสี่ด้านใกล้ๆกับที่พักนอนของพวกเขาโดยไม่ให้แยกออกไปเพราะยังไม่ไว้ใจต่อสถานการณ์ภายในคืนนี้ทุกคนกินอาหารค่ำเสร็จแล้วดื่มกาแฟดารินพูดตลอดเวลานั่งซึมอยู่กับความคิดควาไลเฟินกับไฟฉายลุกขึ้นออกเดินตรวจบริเวณอีกครั้งโดยไม่กล่าวชวนใครทั้งสิ้น เชษฐาไม่ต้องการจะทักท้วงขัดขวางความประสงค์ของน้องสาวเพระาะทราบถึงความกระวนกระวายใจของหล่อนดีจึงเพียงแต่พยักหน้าเป็นสัญญาณกับน้องชายกลางอนุชาจึงช่วยปืนประจำมือกับไฟฉายเดินตามหลังมาด้วยน้องสาวชำเลืองหลังนิดหนึ่งเห็นพี่ชายกลางตามมเงีบเยบๆยังไม่กล่าวอะไรทั้งสิน้นคงฉายไฟตรวจสอบดูบริเวณรอบๆที่วางแคมป์ไปเรื่อย แล้วมาหยุดอยู่ตรงหมู่หินเตีย้ยๆบริเวณหนึ่งหางจากตำแหน่งที่น่าจะสันนิฐานได้ว่าคณะเจ้านายของรพินขึงเต็นนอนอยู่ประมาณสิบห้าหลาหล่อนส่องดูตามพื้นดินครางจุดบุหรี่สูบอัดควันหนักๆจะหาที่พักนอนของรพินใช่ไหมอนุชาถามขึ้นเบาๆอย่างรู้ใจธรรมชาตินิสัยของรพินไม่นอนรวมกับกลุ่มฝ่ายนายจ้างหล่อนเปลยขึ้นเบาๆ ทุกครั้งที่มีการวางแคมป์เขามักจะจัดให้ฝ่ายเจ้านายของเขานอนอยู่ตรงกลางตนเองและพรรคพวกพรานพื้นเมืองและกับลูกหาบก็จะกระจายกันนอนขวางดักเป็นรั้วร้อมไว้ให้กระสอบป่านหนึ่งผืนรองพื้นหรือบางทีก็ไม่มีเป้หลังหนุนหัวพ้หมผื้นบางๆดําเป็นขี้เป็ดชนิดเดียวกับที่ลูกหาของเขาใช้หรือบางทีก็ใช้กระสอบปานนั่นแหละคลุมหน้าอก พี่ชายถอนใจหรือเขามีความรู้สึกสมเพชน้องสาวอย่างแท้จริงถ้าก้อนหินพวกนี้มันพูดได้มันคงจะตอบคมถามอะไรต่ออะไรที่น้อยอยากจะรู้มากไปกว่าที่เรารู้มานะใช่ละพินเป็นคนน่าสงสารแต่คนที่น่าสงสารไปกว่านั้นก็คือน้อยในขณะนี้หล่อนยิ้มซึมๆก้มลงไปหยิบเศษกระดาษลักษณะเหมือนกระดาษแก้วหรือพลาสติกชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่ง ที่หล่นอยู่ข้างๆซอกหินตรงหน้าของหลอนขึ้นมาส่งให้พี่ชายดูโดยไม่พูดอะไรอนุชาลับไปส่องไฟสำรวจยังไม่เข้าใจอะไรนะอะไรและทำไมหรือพลาสติกคุ้มยาระงับประสาทยี่ห้อเร็วๆราคาถูกๆค่ะคุณสมบัติของยาประเภทนี้ก็คือแก้ไข้แก้ปวดหัววงการแพทย์รุ่นใหม่ไม่ใช้กันแล้วแต่ละพินยังอุตส่าห์พกติดตัวอยู่และในคืนที่มาพักนอนอยู่ที่นี่ตรงนี้ เขาฉีกยานี้กรืนเข้าไปสองเม็ดมันควรจะแปลว่าเขาปวดกระโหลกและกรัดกรุ้มบางทีอาจนอนไม่หลับด้วยแต่ก็ไม่เข้าไปรบกวนขอยาที่ดีกว่านี้จากพวกนายจ้างรำพึงรำพันไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกพรุ่งนี้เราก็ถึงห้วยเสือร้องแล้วทุกอย่างที่น้อยต้องการรู้รออยู่ที่หมู่บ้านสุดท้ายนั่นก่อนจะเข้านรกดา พี่กลางคะในฐานะที่พี่กลางเป็นพรานเทียบเท่ามืออาชีพมาก่อนเป็นทั้งนักแกะอรอยและนักสแสวงหาหลักฐานพอจะบอกน้อยได้ไหมคะว่าตรงจุดที่เราพบที่พักของพวกเขานี่เขาล่วงหน้าไปแล้วกี่วันจากหนองน้ําแห้งเรารู้แน่ว่าประมาณแปดวันที่เราไล่หลังเข้ามาก็ตรงจุดนี้พี่รู้สึกว่าเขาจะเราจะไล่เขา โดยย่นระยะเข้ามาอย่างไม่เกินสีห้าวันเท่านั้นโดยวัดระยะทางเพราะทางด้านเขาโมต่เสียเวลาพักอยู่เรื่อยๆแต่เราโดยเดินตลอดโดยไม่เสียเวลาเลยระยะทางมันจิงกระชันชิดเข้ามาอีกเกือบเท่าตัวทีเดียวแล้วพี่ชายกลางก็ส่งพลาสติกที่หุ้มยาเม็ดอันเป็นรอยถูกฉีกนั่นคืนให้น้องสาวดูจากรอยฉีกเปลือกหุ้มยาระงับประสาทนี่ ดูเหมือนจะแค่วันสองวันนี่เองไม่ใช่หรื อ, อรอยมันยังใหม่เหลือเกินคิดบ้างไหมคะว่ามันจะต้องมีเหตุผลสาคัญอะไรสักอย่างที่ทำให้ระพินนำพวกนั้นขึ้นมาพักที่ยอดเนินของสักดำนี่น้อยไม่เชื่อว่าจะมาจากเหตุผลที่เราเดากันแต่แรกว่าเป็นเพราะพวกเขามาถึงที่นี่ในเวลาค่ำจึงต้องหาที่นอนก่อน เพราะอย่างละพินถ้าจะนำในเวลากลางคืนเพื่อให้ถึงห้วยเสือร้องเลยทีเดียวโดยใช้เวลาแค่สามสี่ชั่วโมงเขาก็น่าจะทำได้ก็ในเมื่อระยะทางมันใกล้แค่นี้เองทำไมเขาถึงต้องพักตรงนี้ก่อนให้เสียเวลาไปเปล่าๆทำไมอนุชาเงียบไปครู่เขารู้ว่าน้องสาวมีวินิจฉัยที่ลึกซึ้งและละเอียดอ่อนเป็นพิเศษชนิดที่คนอื่นๆมักมองข้ามเสมอ สำหรับพี่คิดไม่ออกแฮะน้อยละ่ะมีความคิดยังไงหลอนหลีตาลงฉายไฟอย่างปราศ จ, จากจุดหมายกราดไปในความมืดเบื้องหน้าทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนเต็มไปด้วยปริศนาที่จะต้องคิดทั้งนั้นเลยค่ะขณะที่ภูเขาทล่มตรงนั้นมีใครถูกกรบทั้งเป็นบ้างหรือเปล่าทุกคนปลอดภัยดีหรือใครหายไปบ้างไหม เขามาพักยู่ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ยังไม่สมควรจะพักซึ่งก็ไม่ห่างจากบริเวณหน้าผาถล่มสักเท่าไหร่จะเป็นได้ไหมว่าเขารอคอยฟังข่าวอะไรโดยยังไม่มุ่งไปที่ห้วยเสือร้องในทันทีข้อสงสัยของน้อยกว้างขวางไปในทุกแง่ทุกมุมและไม่มีใครตอบได้แต่เท่าที่พี่กับลุงอินสันนิฐานไว้แล้วก็น่าจะถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงที่สุดแต่ก็ไม่ละเอียดทุกแง่ทุกมุมไม่ใช่หรือคะเพียงแต่คร่าวๆเท่านั้นคือพอหินถล่มลงมาแล้วก็มีรอยเดินของพวกเขาข้ามกองหินถล่มที่กลายเป็นถนนใหม่ตรงมาพักที่นี่มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันได้บ้างว่าพวกเขาทุกคนผ่านทางมาได้โดยไม่มีใครบาดเจ็บหรือตายอยู่ในภายใต้หินถล่มนั่นบ้างเลย สำคัญที่สุดก็คือตัวรพินผ่านมาได้ใช่ไหมข้อนี้น้อยยอมรับหรือเปล่าข้อนี้น้อยยอมรับหรือเปล่าค่าะเฉพาะรพินกับเกระเียงอพยพพวกนั้นผ่านมาได้แน่แต่พลานพื้นเมืองของเขาสี่คนนั่นละ่ะนายจ้างอเมริกันสองคู่และนายทหารไทยที่ชื่อเชอิดวุฒนั่นอีกคนละ่ะทั้งหมดได้มาถึงที่นี่หรือเปล่าครบจํานวนไหมใครขาดหายไปบ้าง อะไรทำให้น้อยสงสัยอย่างนั้นหล่อนชูพลาสติกพุ่มยาชนิดนั้นให้ดูอีกครั้งความร้อนรุ่มกรวนกระวายใจจนรบพินต้องระ ง, งับด้วยยานี้ยังไงล่ะคะนอกจากยาประเภทแก้มาเลเรียแล้วน้อยไม่เคยเห็นกินยาน้อยไม่เคยเห็นรบพินกินยาประเภทนี้มาก่อนเลยแม้จะมีเตรียมไว้ก็ตามสมมุติว่าถ้าเขาเกิดไม่สบายจะต้องพึ่งยาแก้ไข ก็น่าจะมียาดีๆของฝ่ายอเมริกันให้มาแต่นี่เขาแอบกินเองเป็นส่วนตัวโดยไม่บอกให้พวกนั้นรู้แอสไพรินยายุคพระเจ้าเฮาที่น้อยเคยเห็นเขามักใส่ตลับยาบุกและเก่าๆติดตัวอยู่เสมอขาดเสียงพูดอย่างท้อแท้ของหลอนทั้งสองก็สะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงช้างร้องแว้ขึ้นมาจากตีนเนินในเวลาสงัดเช่นนี้เสียงของมันก้องกังวานเข้าไปถึงขั้วหัวใจ ดาเรียนะอนุชาหันขอบลงไปทางด้านล่างของเนินในพริบตา น, นั้นด้วยสัญชาตญาณไหลฟื้นก็วูบขึ้นมาประทับบ่าประกบกับลำไฟฉายที่พุ่งจ้าลงไปพร้อมกันส่วนทางด้านเชิฐาและชยายันที่นั่งพักผ่อนกันอยู่ต่างอุทานเฮยแล้วก็ถลันลุกขึ้นอย่างฉพรันชนประทับกันชุลมุนนานอินขยินและพวกลูกหาบทั้งหลายก็ล้วนตกอยู่ในอาการเดียวกันเพราะต่างเคลื่อนไหวพรืบแม้จะยังมองไม่เห็นอะไรก็ตามแต่เสียงร้องกล้องของโคตรา โคชสารที่อยู่ไม่ได้ที่อยู่ไม่อยู่ก็ดังขึ้นมาจากตีนเนินแบบนะทำให้ทุกคนต้องไหวตัวอย่างปัจจุบันทันด่วนน้องสาวเล็กและพี่ชายกลางเป็นคู่ที่ยืดอยู่ชิดขอบเนินมากกว่าพักพวกคนอื่นๆและเป็นผู้ที่ส่องไฟฉายจ้องปืนลงไปจึงสามารถมองอะไรได้เห็นก่อนคนอื่นที่กำลังอยู่ในภาวะตื่นตัวอีกครั้งจากแสงของไฟฉายล่าสันะตว์ณตาแหน่งพื้นราบตีนเนินที่ทุกคนพากันไต่ทางขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้เอง เงาอันใหญ่ตัตของช้างตัวหนึ่งกำลังวิ่งไตเนินขึ้นอย่างตะเกียกตะกายอาการของมันเร่งด่วนอย่างที่สุดส่วนเบื้องหลังห่างไม่มากนักเจ้าสัตว์โคดพันชนิดเดียวกันขนาดตัวไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากันแต่มีจำนวนถึงสี่ตัวกำลังชูงวงไล่กวดหลังสภาพของมันยามนี้ก็คือเห็นอยู่ชัดๆว่าสี่รุมไล่หนึ่งหมายจะถลม่มกลุ่มรุมใ ห, ใหไ้ได้ถ้าหากว่ากวดทัน ซึ่งก็เก็บจะทันอยู่แล้วยังหวุดหวิดระหว่างไยนี้กับไฟกวดไล่ที่มีจํานวนมากกว่ามันคงจะมีการหนีและไล่กันมาจากทางด่านซีขวามือที่อ้อมเนินลูกนี้นั่นเองเจ้าด้วนดาลินตะโกนเสียงหลงเมื่อมองเห็นสภาพการนั้นอนุชาเหนี่ยวกายจุด4ี่ห้ของเขาแล้วเสียงเปรี้ยงสนานในยามวิการเช่นนี้กำปนานของมันสะเทือนเลื่อนลั่นคือกล้องดีแท้เขาไม่มามัวสนใจร้องเรียกหาเจ้าด้วนอยู่แต่โดยสัญชาตญาณพราน แยกถูกว่าเป้าหมายกระสุนของเขาควรจะส่งไปยังที่ใดสีดองอากุดและขนาดใหญ่เหลือกําลังตัวที่กําลังวิ่งเอางวงไล่ไขว้คว้ามาทางด้านหลังของเจ้าตัวที่แล่นไตเนินขึ้นอย่างจวนเจียนโดนก็ยังจังอาการของมันเหมือนถูกขวานยักจามลงมากลางกระบาลทลมหวบลงทั้งสี่ขาเอาท้องกระแทกพื้นเนินแล้วคลูดถอยลงไปตามแนวลาดนั้นสามสี่วาปุ่นฟุ้งไปหมด เสียงปืนยิ่งทำให้พักพวกทุกคนใจหายแล้ววิ่งพลูกันเข้ามาในทันใดส่วนดารินเต้นอยู่เร่าๆรอนประทับปืนก็จริงแต่ไม่ได้ลั่นไกลเพราะโมจะตกใจเห็นเจ้าด้วนถูกขับแล่นเตลิดขึ้นมาได้แต่ร้องเรียกชื่อมันและแผลตะโกนแทบไม่เป็นภาษาให้พี่ชายกลางระวังจะยิงไปถูกมันเข้าอดีตพลานชดไม่ฟังเสียงใครหรือสนใจกับอะไรทั้งสิ้นหน้าที่ของเขายามนี้ก็คือ ทันทีที่นัดแรกลั่นตูมออกไปก็ตบก้านลูกเลื่อนขึ้นกระชากสลักปลอกที่ยังที่ยิงแล้วกระเด็นแผ่วออกไปแล้วตบลูกเลื่อนทรงกระสุนนัดที่สองในแมกกาซีนเข้าลังเพลิงอีกรวดเร็วที่สุดวาดลำกล้องที่สะบัดเงยขึ้นไปเพราะอำนาจแรงสะท้อนกดต่ำลงไปยังอีกตัวหนึ่งที่หยุดชะงักมีอาการแหวงตัวจะเล่นงะจะแล่นกลับลงกลางจากเนินเขาต่อโครมเข้าไปอีกในบัตรดโดนแนวกระสุนทะลวงเขากกหู เพราะมันเบี่ยงบ่ายหัวภาพของการยิงแบบเฉียบขาดปรากฏขึ้นอีกครั้งในทุกสายตาที่วิ่งเข้ามาถึงและช่วยกันฉายไฟไอตัวที่สองซึ่งเป็นช้างงาล้มตะแคงทั้งยืนเหมือนถูกพันเนินเหล็กตบฟาดเข้าที่ศีรษะด้านหลังแล้วพริกท้องกริ่งช้างใหญ่ถูกปืนถึงขนาดกริ่งหนายท้องไปสองตลบนั้นเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากที่สุดแต่ภาพที่เกิดขึ้นในขณะนี้ อันเนื่องมาจากภูมิประเทศช่วยเพราะมันเป็นเนินชันอยู่ก่อนแล้วเมื่อถูกแรงประทะขนาดสองตันเสร็จทิ้มเข้ามาตรงกกหูระหว่างที่มันแว้งตัวจะพระหนีบนพื้นเอียงเทแบบนั้นลักษณะของมันจึงหายท้องก็ลิงหลุนๆไปอย่างไม่เป็นท่าดูเดือด พ, พอๆกับการไล่เพื่มไม้เหยียบขยี้เยอะของมันเช่นกันอีกสองตัวอยู่ห่างไปหน่อยหมุนตัวกลับได้ทันแล้ววิ่งหางจุกก้น ก้อนหินก้อนดินกระจายเบี่ยงหน้าลบมุมเส้นทางเหลี่ยมบังเขาเนินก่อนที่เชษฐาชายยัยาหคนอื่นใดจะกระนำทันมีแต่เสียงตะโกนเอ็ดอึงฟังไม่ได้สับเจ้าด้วนขยโกเท้าหน้าตะกายลิ้วเข้ามาหาฝ่ายมนุษย์อันเปรียบเสมือนที่พึ่งของมันยามนี้พร้อมกับเสียงร้องยาวดังอยู่เช่นนั้นเสียงกระดิ่งที่ผูกคอของมันที่ดังอยู่โกรกเกรกเพิ่งจะแววขึ้นมาให้ได้ยินถนัดเดี๋ยวนี้เอง พิสูจน์ได้ไม่ผิดตัวไปแน่อนุชากระชากลูกเลื่อนอีกครั้งอย่างเฮี้มเกรียมเยือกเย็นปลอกกระสุนวิ่งมาตกอยู่เบื้องหน้าแทบเท้าของดารินทรงควันอยุกรุ่นกลุ่ น, ลนแล้วตบยัดลูกที่สามกล้ามเข้าไปอีกดารินพวาเข้าบังทางปืนไว้ระวังที่วิ่งขึ้นมาหาเรานั่นน่ะเจ้าด้วนหล่อนร้องโวยวายลัน่นรู้หรอกหนะ่าลำคาญจริงน้อยนี่ร้องเต้นเหงงเงอยู่ได้ ถ้เธอช่วยยิงตะกี้นี้ไอส้สตัวที่ขวานไล่หลังมาชักดิ้นชักงอไปหมดแล้วนี่ปล่อยให้มันหนีรอดไปได้สองตัวเอาแต่ร้องแ ย, แยกอยู่ได้อนุชาพูดสะบัดหุ่นหุอย่างหงุดหงิดขัดใจน้องสาวที่โมจีประทับปืนยืนเฉยอยู่ในตอนแรกจะทําได้ก็แต่เฉพาะร้องแลกแหกกระเชออยู่อย่างเดียวเพราะแรเห็นช้างคู่บารมีไล่ถูกกวดทําร้ายมาอย่างน่ากลัวเชษฐาใช้ยนและนานอินบัตหนี้ชูไรเฟิลขึ้น สีิบห้าองศาแล้วเพราะยิงไม่ทันซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียว ก, ก, กันกับที่ช้างใหญ่ของดารินที่ถูกไล่ทําร้ายมาจากที่ใดที่หนึ่งจากตีนเนินข้างล่างแล่นขึ้นมาถึงบนยอดเนินซึ่งฝ่ายมนุษย์ชุมนุมกันอยู่ดารินสองไฟแล้ววิ่งปราดเข้าหามันทันทีซึ่งมันก็หยุดยืนหมุนตัวอยู่ไปมาเหมือนช้างเลี้ยงที่เพิ่งจะหนีพ้นจากภัยเข้ามาอยู่ในความคุ้มครองของเจ้าของได้ห่อนร้องถามและเล่มและลักเรากับมันจะพูดได้ก็เร่งให้ทุกคนช่วยกันเข้าไปส่องไฟตัวดูตามร่างกายของมัน มันไม่เป็นอะไรหรอกนายหญิงไม่มีรอยถูกแทงไม่มีแผลเสียงหนานอินบอกมาจากทางบันท้ายของมันระหว่างที่หญิงสาวเข้าไปยืนรูปงวงอกสั่นขวัญแขวนอยู่อนุชาก้าวโฉบโๆเข้ามายืนอยู่ตรงหน้ามันเบื้องหลังหล่อนบอกเสียงต่ตําๆ ต, ต่อมาว่าอย่างกับลูกชายก็ไม่ปานที่อยากรู้นะว่าถ้าเป็นพี่ชายหรือคนอื่นๆในบรรดาพวกเราถูกไอ้ช้างนรกพวกนั้นไล่ขึ้นมาแบบนี้ไม่เจ้าประคุณจะห่วงหาอาทรเหมือนอย่างไอ้ด้วนนี่หรือเปล่า มันน่ะปลอดภัยแล้วละระวังพวกเรากันเองเหอะคืนนี้ไอ้ผีดิบเปิดหนีไปแล้วก็จริงถ้่อาจจอศึกใหญ่จากช้างอีกแล้วเขาก็หัวเราะฮึๆถอดบุหรี่ที่ยังคาบอยู่ในปากดีดกระเด็นไปร้องถามเจ้าด้วนว่าว่ายังไงไอ้เวรคุณด้วนเสือกพระแยกทางหายไปเฉยเฉยเสร็จแล้วยังไงถูกไอ้พวกนั้นดักเล่นงานเอาใช่ไหมล่ะ ถึงได้โกยอ้าวตัวโกกับมาหาคุณแม่ดารินของเองเนี่ยมันน่าปล่อยให้อพวกนั้นลุมเหยียบเสียนักเจ้าด้วยไม่ตอบอะไรเพราะมันตอบไม่ได้นอกจากร้องแออออกมาเบาๆทุกคนเปลี่ยนจากสภาพความตกใจมาเป็นขบขันมองดูมันด้วยอาการตอบรับดารินหันมาถลึงตาใส่พี่ชายกลางเสียงหล่อนแข็งขึ้นมาทันทีอย่าโหดร้ายใจดาแล้วก็หยาบคายกับมันนักเลย พี่กลางอย่านึกว่ามันจะต้องพึ่งเราฝ่ายเดียวไม่ช้าก็เร็วพวกเราต้องพึ่งมันแน่ๆถ้าพี่กลางไม่ยิงช่วยมันตะกี้นี้น้อยก็ต้องช่วยมันวันยังข้าก็แล้วทําไมไม่ยิงมันช่วยยิงมันละ่ะมันแต่เต้นเป็นงิ้วอยู่อนุชากระชากเสียงมาก็ออยังมองเห็นไม่ชัดว่าตัวไหนเป็นตัวไหนน่าซี่ถึงยังไม่กล้ายิงไม่ใช่พี่กลางนี่ซัดคโครมโครมเข้าก่อนแล้วไม่ต้องดูให้แน่เสียก่อนละ่ะว่าตัวไหนคือเจ้าด้วน พราะพี่กลางไม่แคร์อะไรอยู่แล้วต่อให้พลาไปถูกเจ้าด้วนพี่กลางก็ไม่คํานึงถึงดารินตวาดมาบ้างพี่ชายกลางไม่สนใจและอีกเดินพระกลับไปยังบริเวณที่พักนอนอย่างง่ายๆประให้ทุกคนยืนชุมนุมกันอยู่ที่นั่นพร้อมกับเสียงพูดซักถามกันจอกแจกดารินค้อนตามหลังไปอย่างเดือ ด, ด, อดสองคนนี่ยังไงนะเห็นดีกันได้ไม่นานกัดกันยันชายยันบนออกมาเชิดท้าเขาเอ่ยถามขึ้นเป็นประโยคแรกว่า นี่มันไปยังไงมายังไงกันทางด้านพี่พอได้ยินเสียงช้างร้องแปรนขึ้นแล้วความมาก็ได้ยินเสียงปืนตูมตูมเลยเล่นเอา้าใจหล่นลงไปถึงตะตุ่มอีกหล่อนบุ้ยปากไปทางอนุชาผู้ขณะนี้นั่งอยู่บนบริเวณที่ปูพื้นไว้จัดที่นอนของตนเองง่วนอยู่คนเดียวหางเสียงหล่อนประชดแดกดันได้ยินเสียงช้างร้องครัง้งแรกไม่คิดว่าเจ้าด้วนหลอกจะพอฉายไฟดูเห็นตัวหนึ่งวิ่งตะกายขึ้นมาหาพวกเราบนเนินนี้อีกสีตัวไล่กวดหลังมา ตอนนั้นน้อยยังไม่แน่ใจนะว่าอะไรมันเป็นอะไรในพรานใหญ่นั่นเขาก็ซัดโครมเลยโชคดีที่ไม่ถูกเจ้าด้วนเขา้าเข้าใจว่ามันคงจะไล่กวดรุมทําร้ายมาจากด้านแยกซ้ายมือข้างล่างนั่นแหละค่ะแล้วเจ้าด้วนก็แล่นหนีมาหาเราพี่กลางเขาซัดกลิ่งไปสองตัวอีกสองตัวเปิดหนีน้อยไม่อยากเจ็บซ้ําเพราะมันยอมหนีไปแล้วไม่ได้กําแหงหานตามขึ้นมาอีกพี่กลางเขาคงกะจะยิงทิ้งให้หมด สำหรับน้อยถ้าไม่จำเป็นจริ ง, รงๆก็ไม่อยากจะฆ่าพวกมันเลยแต่เขาก็หงุดหงิดที่น้อยไม่ช่วยยิงเอาเรามันไม่ใช่ปัญหาที่จะต้องมาทะเลาะ ก, กันอยู่เลยนี่เจ้าด้วนเพลนกับมารวมกับพวกเราแบบนี้ก็ดีแล้วมันจะได้เป็นยามระวังเหตุให้ด้วยเธอส่งภาษาให้มันรู้ก็แล้วกันว่าคืนนี้ให้มันอยู่บนอยู่กับพวกเราบนนี้อย่าทะลึ่งพระไปตามลพาพังอีก เดี๋ยวก็จะถูกลุมฆ่าจะไอ้โคลงช้างผีลงนั่นเช่เปร่าเปล่าโชคดีแล้วที่มันยังฉลาดพอที่จะวิ่งมาหาพวกเราเพื่อความแน่ใจดารินเดินส่องไฟฉายดูไปรอบๆตัวเจ้าด้วนแต่ก็ไม่พบบาดแผลอะไรตรงตามที่นานอินบอกเจ้าด้วนยืนสงบนิ่งให้หล่อนสำรวจ ด, ดูมันหมดทุกส่วนแม้แต่จะเดินลอดเข้าไปดูใต้ท้องน้อยไม่คิดหรอกค่ะว่าเจ้าด้วนจะขี้ขลาดหนีไอ้พวกนั้นมา เพื่อขอพึ่งการช่วยเหลือของเราแต่คิดว่าที่มันรีบแล่นขึ้นมาหาเราก็คงจะต้องบอกเหตุให้ทราบว่าข้างล่างตีนเนินนุน่นรูแวดล้อมเนินเหล่านี้ทั้งหมดอาจมีขโขงช้างของมันไตรแอบล้อมคุมเชิงอยู่ก็ได้เราก็เคยเห็นมาแล้วว่าถ้าบทมันจะสู้ขึ้นมาสี่หรือห้าตอนหนึ่งมันก็เคยสู้แบบไว้ลายมาแล้ว อยากจะเอาใจน้องสาวและตัดปัญหาทั้งมวลเทธาพยักหน้าบอกมาว่าเ้า อ, อาจเป็นอย่างน้อยว่าก็ได้แต่พี่เชื่อว่าคืนนี้ไม่ไหวพวกผีดิบใจซากหมื่นปีและไอ้ช้างร้ายที่มันตายใช้เป็นบริวารไม่กล้าบุกขึ้นเนินสักดำขึ้นมาทำอะไรเราได้หรอกไปกลับเข้าไปนอนพักเอาแรงกันเถอะประโยคหลังเขาก่าวชวนแล้วพยักหน้ากับชายยันทั้งหมดพักกันเดินเข้าสู่บริเวณกองไฟของที่พัก คงเหลือแต่เพียงดารินและนานอินสองคนเท่านั้นที่ยังอยู่กับเจ้าด้วนในขณะนี้เราตัดสินใจถูกแล้วนายหญิงที่ขึ้นมาพักกันอยู่บนเนินสักดำเสียก่อนไม่เดินกันไปมืดมืดตามทางด่านเรียบเพลวนั่นเจ้าด้วนมันเดินนำหน้าไปก่อนแล้วปะทะเข้ากับไอ้ช้างผีเข้าพอดีมันคงวางกำลังไว้คอยดักเล่นงานเราแน่ๆนบนทางที่เราจะเดินไป ถ้าเวลากลางคืนพวกนั้นวิ่งสวนเข้าใส่คงยิงไม่ทันหาที่หลบไม่ได้มีอยู่ทางเดียวคือหล่นเหวแต่พอเราเปลี่ยนทางจะขึ้นมาบนยอดเนินนี่พวกมันก็แหกันมาดักหน้าไว้อีกเคราะดีที่นายหญิงสวดมนต์ขับไล่มันไปได้ไม่งั้นเราจะถูกเล่นงานทั้งสองด้านเลยนานอินเอ่ยึ้นเบาๆถามจริงๆเธอลุงกลัวหรือหนักใจมากไหมในการมากับพวกเราคราวนี้ นานอินยิ้มเห็นเหงือกตาแห้งกระดาษปราศจากน้ำหล่อเลี้ยงของแกมองดูหล่อนยังบูชาน้ำใจนานอินอยู่ในป่ามาตลอดชีวิตเกิดอะไรขึ้นก็ตามนานอินเอาตัวรอดได้เสมอพวงอยู่ก็แต่เฉพาะพวกเจ้านายทุกคนเท่านั้นแต่ถ้าพวกเจ้านายทั้งหลายมีกำลังใจดีคิดสู้ไม่ถอยก็ไม่มีอะไรต้อง่วงอีกพวกลูกหาบก็เหมือนกัน ถ้าฝในจ้างไม่กลัวพวกมันก็ไม่กลัวเหมือนกันคนเราอย่างมากมันก็แค่ตายเท่านั้นนายหญิงพวกเจ้านายยังกล้ามาเสี่ยงตายได้ทำไมกับนายนินะพวกนี้จะไม่กล้าเสี่ยงหลอนจับแขนผอมเกรงแต่แข็งแรงของแกไว้ขอบใจลุงและทุกคนอย่างที่สุดขอให้รู้ไม่เถิดว่าในความรู้สึกของพวกฉันแล้วทุกคนที่มาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นลุงรยีนหรือลูกหาบทั้งหมด ชีวิตล้วนมีค่าทั้งนั้นเราจะเป็นเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายกันทั้งหมดไม่มีการแบ่งขั้นวะใครสำคัญกว่าใครในด้านชีวิตเราจะไม่ทิ้งกันเลยเหมือนเหมือนกับที่เราเคยถือปฏิบัติสมัยที่ไปตามลุงกับพี่กลางในคราวนั้นนานอินรู้นานอินอ่านใจนายหญิงและเจ้านายทุกคนออกมานานแล้วแต่นานอินอยากจะเตือนนายหญิงว่า อย่าไปถือสาอะไรพรานชดนะแม้จะเป็นพี่ชายของนายหญิงก็จริงแต่นานอินรู้ใจแกดีกว่านายหญิงเพราะมาเป็นชาวป่าอยู่กับนานอินร่วมเป็นร่วมตายกันมานานแกเป็นคนใจร้อนขี้โมโหบางทีอาจเหมือนนายละพินดารินหัวเราะแคนแคนเหมือนละพินหรือไม่มีทางหรอกละพินโดยแท้ที่จริงแล้วเขาไม่ใช่คนใจร้อนหรือเป็นคนขี้โมโหเลย แต่ลุงไม่ต้องห่วงเรื่องนี้หรอกฉันกับพี่กลางทะเลาะ ก, กันมาตั้งแต่เล็กจนโตจนจะแก่กันอยู่แล้วนี่เขาชอบทำอะไรตามใจเขาฉันก็ชอบทำอะไรตามใจฉันเหมือนกันแต่เราก็ไม่เคยโกรธกันนานถึงอย่างไรเขาก็เป็นพี่พและฉันเป็นน้องอายุเราห่างกันไม่มากนะก็เลยดูเหมือนเพื่อนมากกว่าแล้วหล่อนก็บอกให้นานอินกลับเข้าไปรวมกับพักพวกก่อนตอนเองหันมาลูกงวงเจ้าด้วนกระซิบบอกว่า ด้วนอย่าห่างออกไปไหนนะคืนนี้อยู่กับพวกเราบนนี้พยายามรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีที่สุดทุงคนอื่นๆอาจมองไม่เห็นความสําคัญของเธอแต่ฉันมองเห็นแล้วหวังที่จะได้พึ่งเธออยู่เสมอไอ้ผีร้ายตัวนั้นมันคิดร้ายต่อพวกเราเช่นไรมันก็ต้องคิดร้ายกับเธอเพียงนั้นแหละเพราะเธออยู่พ้นมนต์สะกดของมันช้างป่าแสนรู้ซึ่งกลายมาเป็นมิตรกับหลอนได้อย่างประหลาดเป่าลมจากปากปลายงวง เบาๆลถมาที่ลําตัวของหล่อนแล้วเคลื่อนกายแช่มช้าเช่งวงค่อยๆดุนหล่อนอย่างสุภาพนุ่มนวลที่สุดมีอาการเหมือนจะผลักไล่หล่อนให้กลับเข้าไปนอนในกองฝายคล้ายจะบอกว่านายหญิงเข้าไปพักผ่อนเสถิดหรืออะไรทํานองนั้นและตัวมันเองก็เดินเนิบช้าไปหยุดยืนอยู่ตรงตําแหน่งที่สันนิษฐานว่ารพินเคยอาศัยนอนอยู่ก่อนหน้าคืนที่เขามาพักแรมอยู่หนเนินแห่งนี้ดารินยิ้มโบกมือให้กับมัน แล้วก้าวกลับไปยังบริเวณพักนอนที่พักพวกทุกคนรวมกลุ่มกันอยู่แล้วในหมู่พวกลูกหาบนั้นอินเดินช้าๆตรวจอนาบริเวณเหมือนจะกาหนดเป็นปริมณฑลวางขายอาคมไว้อีกครั้งจากนั้นแกก็นั่งสมาธิสงบนิ่งอยู่คนเดียวอยู่บนก้อนหินเรียบก้อนหนึ่งส่วนทางที่นอนของฝ่ายณนเะจ้านายนั้นตามปกติแปนการนอนทุกครั้ง ดารินตะถูกกำหนดให้นอนอยู่ในแนวขนาดของพี่ชายทั้งสองโดยมีชายยันอยู่ริมนอกสุดไม่ด้านซ้ายก็ด้านขวาแต่สำหรับคืนนี้อดีตนายทหารปืนใหญ่กระดิกนิ้วทำสัญญาณเรียกใหด้ดารินย้ายมานอนอยู่ข้างๆเขาโดยไม่สับเปลี่ยนที่กับเชิดท้าโดยให้สับเปลี่ยนที่กับเชิฐ้าหล่อนยอมเปลี่ยนให้โดยดีแต่มองดูเขาอย่างสงสัยขณะนั้นชายยันนอนคว่ำหน้ามีสมุดโน้ตประจําตัววางอยู่ บนเป้หลังอันใชายเป็นที่รองและมือถือปากกาอยู่อย่าไปนอนอยู่ใกล้ๆในกลางเลยคืนนี้มานอนตรงนี้ระหว่างเชิถากับชั้นดีกว่าประเดี๋วดิ้นกระทบกันไปกระทบกันมาได้ลุกขึ้นมาต่อยกันกลางดึกเดียวเท่านั้นชา ย, ยันบอกยิ้มยิ้มหญิงสาวเอ็นกายลงนอนหงายฉันเข่าขึ้นข้างหนึ่งหน้าบึง้งฉันไม่ต่อยกับเขาหรอกอย่างมากออก็เอาผ่านท้ายลเฟิรน เตยไปทางจะให้รู้แล้วรู้ลอดคนอะไรก็ไม่รู้พูดจาฟังไม่เข้าหูเลยมันใจฉมัดล่อนบอกอุบอิบอยู่ในลำคออนุชาคงไม่ได้ยินเพราะนอนอยู่ริมสุดด้านโน้นและขณะนี้ก็ดูเหมือนจะหลับไปแล้วอย่างง่ายๆชายันหัวเราะเบาๆเปล่าฉันพูดเล่นน่ะที่เรียกให้มานอนใกล้ๆนี่ก็ไม่ใช่อะไรจะขอจดคาถาชินบัญชร น, นะลืมเสียแล้วหรือดารินต้องจะนึกขึ้นมาได้ หันมองดูหน้าเพื่อนชายผู้รักสนิทซึ่งบัดนี้ก็เปิดไฟล์แบตเตอรี่ขนาดจิ๋วรประจำตัวสว่างขึ้นเธอแน่ใจหรือว่าจะรับพระมหาคาถาบทนี้ไว้ด้วยความเคารพศรัทธาเชื่อมั่นและจริงใจพร้อมที่จะหมั่นภาวนาท่องให้จำได้ทั้งหมดไม่ใช่สักแต่ว่าขอจดไว้เฉยๆเท่านั้นซึ่ง ถ, ถ้าในกรณีนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอก ตะพินก่อนที่จะมอบให้แข่ชันเขาก็ตั้งคำถามฉันอย่างนี้เช่นกันโถแล้วกันสิน้อยถ้าไม่เลื่อมสาศรัทธาจริงฉันจะมาเตรียมตัวอยู่อย่างนี้ทำไมห้ามบ่นว่ายาวหรือยากที่จะจำนะสาบานเอาละถ้างั้นเตรียมจดวันนี้เป็นวันครูด้วยคือวันพฤหัส ต, ตามปกติแล้วเธอจะต้องจุดธูปหอมเก้าดอกเทียนขาวแท้สองเล่มดอกบัวขาวเก้าดอก มาลิหนึ่งผานเพื่อรับพระคาถาบทนี้แต่ในป่าดงพงงไพรแบบนี้ยากที่จะหาเครื่องสักการะบูชาเช่นนั้นได้ก็อนุโลมว่าไม่ต้องก็แล้วกันขอเพียงให้เธอตั้งจิตให้มั่นเท่านั้นฉันจะภาวนาช้าๆชัดๆทีละคำเพื่อให้เธอจดได้ทันในระหว่างภาวนาของฉันนี้ใช้โสตประสาทของเธอรับฟังให้ดีที่สุดห้ามถามซ้ำหรือขัดจังหวะขึ้นในตอนนี้ จดทันได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนไม่แน่ใจในอัถกถ า, าคําไหนเว้นว่างไว้ก่อนค่อยสอบทวนให้ถูกต้องวันต่อไปเมื่อมีเวลาตกลงไหมตกลงและเข้าใจาช้าๆนะน้อยพร้อมหรื อ, อยังพร้อมดารินหลับตาลงนมมือทั้งสองขึ้นเหนือสวงอกก่อนอื่นตั้งนะโมสามจบก่อนเข้าใจต่อไป สวดบูชาองค์สมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์โตพรหมรังสีในอันดับต่อไปก่อนที่จะขึ้นชินบัญชรคาถาบูชาสมเด็จมีเพียงหนึ่งบทสีว่วรรคดังนี้ปุตตกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนังอัธิกายกายยายะเทวานังปิยะตังสุตะวาต่อไปน้อย เมื่อสวดคาถาบูชาสมเด็จพุทธาจารย์แล้วจึงเริ่มพระคาถาชินบัญชรดังนี้ดารินเริ่มภาวนาช้าๆแผ่วเบาแต่ชัดเจนในทุกอัตคาถาแต่ละคำแต่ละวรรคตอนชยันเริ่มจดตามด้วยความตั้งใจแน่นแน่นิ่งจนกระทั่งจบสิ้นพระคาถาทั้งหมดโดยบริบูรณ์ซึ่งกินเวลานานพอสมควร